อาจารย์ครับกาดรัศการครับผมเจริญพรท่านผู้ชมคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับรอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกครับอาจารย์ครับผ่อนเข้ารายการกับเรียนถามอาจารย์ว่าเช้าคนใส่บาตเยอะไหมครับผมวันนี้ก็สี่ร้อยยี่สิบแปดคนสี่้อยยี่สิบแปดคนกับปกติแล้วอืมตามปกติโอ้อาจารย์ครับ ตอนบ่ายตอนบ่ายมีปัญหาและครับอาจารย์ฝนตกฝนตกฝนตกหนักแล้วก็เลยไม่ได้เทศเลยนั่งสมาธิกันประมาณสี่สิบห้านาทีอ๋อครับผมแล้วก็พอเสียงมันดังแล้วฝนมันตกก็เลยนั่งสมาธิกันไปเหมือนตอนอยู่บนเขาเลยนะครับอาจารย์เหมือนกันเื่อเหมือนกันพูดไม่ได้มันเสียงมันก็เลยนั่งครับนั่งเฉยเฉยสบาย ใ ห, ห้เงินเลยจะบอกพระอาจารย์ครับแต่ญาติเราพราะว่าท่านกันกนะคนที่ก้เข้ามาเขาไม่มีใครกลับกันแล้วแตก็นั่งกันทุกคนคแล้วไม่ได้บอกด้วยคราวนี้พอเห็นเราพูดไม่ได้กันเลยเราก็เล้นั่งให้เรานั่งเพราะว่านั่งต่างไปโ อ, อครับสาถูกสามผิอาจารย์เข้าเดือนตุลาอีกแล้วครับมันใกล้วันเกิดอีกแล้วครับ ทุกทีเดือนตุลาต้นต้นเดือนก็จะขอพอรพระอาจารย์ครับก็วันนี้เลยตั้งหัวข้อว่เรื่องเกิดครั้งสุดท้ายครับรอาจารย์ขอความเมตตาพระอาจารย์ให้ให้พรพวกเราพเพราะหลายคนบอกว่าเกิดเดือนนี้กันเต็มเลยครับรอาจารย์ครับกลับขอความเมตตาครับเมื่อเวลาใครมาให้มาขอพรเดีย๋ยวนี้มกักจะถามก็ว่าจะเอาแบบไหนเอาแบบทางโลกหรือแบบทางธรรมนะครับเอาแบบทางโลกก็ขอให้เจริญด้วยอายุวันโนสุ ข, ขังพลังนะ ถ้าทางธรรมก็ขออาญาได้กลับมาเกิดอีกเลยบางทีก็มาเขาขอทางธรรมดีกว่าเพราะว่าอันนี้แหละเป็นพรเป็นเสริยรคือการยุติการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตรนั้นก็ยังมีทุกข์อยู่ทุกข์่ไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นนี่คือเป้าหมายของพุทธศาสนา ตัวสอนให้พวกเราหยุดเกิดกันแล้วจะหยุดเกิดได้ก็ต้องละตันหาความอยากที่เป็นต้นเหตุที่พาให้มาเกิดการะตันหาความอยากเสื่มรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะเพราะว่าตัหาไม่เพราะว่าตันหาอยากรล่ศอยากรวยอยากสุขอย่างเจริญไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเป็นต้นนี่คือตันหาความอยากที่เราต้องละกันให้ได้ ถ้ามันอยากจะกลับมาเกิดอีกต่อไปการจะละตัณหาได้ก็ต้องสร้างเครื่องมือคือมรรคขึ้นมามรรคที่มีองค์แปดหรือย่อลงมาก็คือสามศีลสมาธิปัญญาสําหรับนักบวชถ้าเป็นฆราวาสผู้คล่องเลยก็เพิ่มทานศีลสมาธิปัญญาสมาธิปัญญาก็คือภาวนาภาวนามีแบ่งสองส่วนส่วนแรกเรียกว่าสมถาภาวนาก็คือการเจริญสมาธิ ส่วนที่สองคือการจเจริญปัญญาหรือเรี่งดิปัสนาภาวนาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติกันถ้ายังเป็นผู้พอเงินอยู่อย่าเอาเงินไปน ไ, ไปดับความทุกข์อย่าไปทําตามความอยากอันนี้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ฝืนความอยากทุกครั้งอยากจะไปซื้อรถราคาแพงๆก็ ว, ว่ารถซื้อราคาถูกๆก็วิ่งได้ เอาส่วนต่างไปทําบุญดีกว่าอย่างนี้นก็จะลดความอยากได้ไปในระดับนึงอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับลดเที่ยวในประเทศไทยก็แล้วกันส่วนต่างก็เอาไปทําบุญถ้ยังเล่าเที่ยวไม่ได้ใช่รือต่อไป อ, อยากไปเที่ยวเลยเที่ยวต้องกลับมาเที่ยวอยู่เรื่อยๆพราะความอยากมันจะเพราะไม่ไม่เคยพอใช่ไหมไปเที่ยวครั้งนี้แล้วเป็นเที่ยวมันความอยากมันจะหายไปไหมครับ คาวหน้ามันไม่มีมันไม่หมดเลยฮนะที่ยวคราวนี้แล้วเดี๋ยวมันก็อยากจะไปเที่ยวต่อวิธีที่จะตัดความอยากไปเที่ยวก็คือต้องไม่ไม่ทําตามความอยากนะความอยากมันก็จะหดไปถ้ายัางทําตามความอย า, อยากอยู่มันก็จะมันก็จะโผล่มาเรื่อยๆตัวเจ้าจสอนวิธีแก้ความอยากที่อยากจะใช้เงินในการไปสร้างพบสร้างชาติเกิดใช้เงินตามทํตาตามความอยากต่างๆ เอาเงินนี้ไปทําบุญทําทานแทนแล้วความสุขที่ได้จากการทําบุญทําทานกับดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวอเองครับความสุะไปเที่ยวมันสุขเดี๋ยวเดียวช่วงขณะที่ไปพอกลับมามันก็จางหายไปหมดหให้เลยแต่ความความว่างว่างเปล่าเปลียวทำให้เกิดความอยากไปเที่ยวใหมอ่อีกแต่การไปทําบุญนั้นมันจะทําให้เกิดความอิ่มใจสุขใจแล้วความอยาก ที่ไปเที่ยวมันก็จะถูกลดน้อยลงไปในปริยายเพราะว่าเราไม่ไปทําตามความอยากเราไปทํําทาบุญแทนแล้วเราก็ได้ความสุขที่ดีกว่าการไปเที่ยวได้ซ้ำไปแล้วต่อไปเราก็คิดจะทำบุญอย่างเดียวถ้าเรามีเงินเหลือเรารู้วันนี้เราก็ตายไปก็ไปไม่ได้เอามาใช้ทําบุญดีกว่ามละความอยากต่างๆถ้ายังมีลมเนื้อยอยู่ในใจเกี่ยวกับเรื่องเงินทอม ถ้ า, าทาอย่างนีไ้ได้ต่อไปเมื่อเราพร้อมที่จะบวชเราก็จะสละทรัพย์สมบัติได้อย่างง่ายดายไม่เสียดายเงินแต่ถ้าเรายังหวงเงินยังติดเงินเพราะต้องใช้เงินทาตามความอยากอยู่มันก็ยากที่เราจะไปบวชเพราะวา่าเราไปบวชเราไม่ใช้เงินทองไม่ได้ใช้เงินไปทาตามความอยากไม่ได้ต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาลดความอยากตัดความอยาก ถ้าเรายังไม่มีกําลังพอเราก็จะไปบวชไม่ได้อย่างเรื่องของการทำทางเนี่ยสาหรับผู้ที่ยังใช้เงินทองเป็นการหาความสุขอยู่เป็นการมาสุขความสุขจากยูบเสียงกลืก่อนลดผลธรรมะเนี่ยมันก็จะพาเรากลับมาเกิดในกรรมมาพบอยู่เรื่อยๆเห็นว่าตายเกิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราละกรามได้ถ้าเรา เวลาอยากจะใช้เงินไปเที่ยวล้วก็ไปทําบุญไปอยู่วัดแทนไปปฏิบัติธรรมที่วัดด้วยไปสร้างกําลังสร้างสติสร้างสมาธิขึ้นมาแล้วต่อไปเราก็จะบวชได้บวชได้เราก็จะสามารถตัดความอยากทั้งสามนี้ได้อย่างราบคาต้องตัดด้วยปัญญาแต่ต้อ ง, ต, องต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุน เพราะปัญญาที่ไม่มีสมาธิไม่มีกำลังเชืที่จะสู้ความอยากอันนี้ก็คือทางสู่การหลุดท้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปต้องเอาชนะความอยากทั้งสามให้ใหได้การมตนาภาวตนาและวิญญภาวตนาต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรทานศีลภาวนา ได้พรมันเกิดแล้วครับอาจารย์ครับครับเพราะว่ามันให้ได้แต่มันมันผลมันจะผลมันจะเกิดหรือไม่อยู่ที่ผู้รับพรมันจะเอาไปปฏิบัติได้หรือไม่พราที่ให้ไปนั้นเป็นผลการไม่กลับมาเกิดนี่เป็นผลแต่เหตุที่ทําให้กลับมาเกิดนี่มันคือการปฏิบัติทานศีลภาวนาอันนี้ที่ลองปฏิบัติกัน คขอบพระคุณพระอาจารย์ครับพี่เมตตาครับขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนๆบ้างครับทางติ k To ็สามารถที่จะส่งคำถามเข้ามาได้นะครับคุณแว่นครับเมื่อระลึกความตายรู้สึกว่าจิตใจจะเย็นลงพร้อมจะให้อภัยคนที่เราโกรธลงได้เป็นบางขณะจิตหากใช้การระลึกถึงความตายมาเป็นกรรมฐานของตนเองจะทําให้เกิดจิตตั้งมั่นได้หรือไม่ครับ ก็บางคนก็ใช้ง่ายยึดแล้วแต่ว่ามันจิตเรายอมรับมันหรืไมถ้าจิตเรายังต่อต้านความตายอยู่การใช้ความตายก็าจจะทาให้เรารู้สึกขดหูใจก็ได้แสดงว่าใจเรายังไม่พร้อมกําลังของสมาธิยังมีไม่มากพอที่จะรับความตายได้แต่ถ้าจิตเรามีกําลังของสมาธิมากพอถ้าเราพิจารณาความตายแล้วทําให้จิตเราสงบ เราไม่โกรยใครเ ร, เราตรงได้อย่างนี้ก็เป็นเป็นกรรมฐานที่ดีที่จะใช้ในการที่จะทําให้ใจเราเนี่ตั้งมั่นได้คุณดําครับทําไมการทําสมาธิจึงได้บุญมากกว่าการให้ทานหรือทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ครับเพราะความสุขมันมากกว่าความสุขได้จากสมาธินี่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขช่องโหว ทำบุญทำทานล้วก็มีความรู้สึกมีความสุขใจในระดับหนึ่งแล้วลนั่งสมาธิจิตรวมเป็นสมาธิเนี่ยโอ้โหมันคนละเรื่องมันเลยเหมือนผ้ากับดินเดนกัคุณพลอยครับฟังเทศพระอาจารย์ก็เหมือนจะนิ่งได้แต่พอพระอาจารย์เทศเสร็จช้อปปิง้งกระจายซื้อเสื้อผ้าทุกวันวันละสองสามชุดแก้ยังไงก็ไม่ได้ครับ ก็เวลาซื้อเสื้อผ้ามาก็เอาไปแจกแทนอย่ามาใส่ให้กับตัวเราเราอยากจะซื้อซื้อได้ไม่ว่ากันซื้อแล้วอย่ามาใช้อย่าใช้มันเรามีของเก่าของดียังใช้ได้อยู่ใช้มันไปก่อนอถ้าของเก่ามันขาดเราใช้ไม่ได้ค่อยซื้อมาให้กับตัวเราแต่ถ้าของเก่ายังใช้ได้อยู่อยากจะซื้อของใหม่ซื้อได้ซื้อแล้วก็ไปแจก ไปทำบุญทำทานอย่างนี้ต่อไปมันจะไม่กล้าซื้อมันจะไม่กล้าอย่ากเนี่ยวิธีแก้ความอยากที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อมานะอยามาใช้ให้กับตัวเองซื้อมา้ะเอาไปให้คนอื่นเขาใช้ครับเอาไปทำบุญทำทานไม่ซื้อแน่เยรยเขาคุณหนุ่มน้อยครับ หลวงตาครับทําไมสมัยนี้ผู้ชายหลอ่อผู้หญิงสวยแต่ทําไมสมัยนี้เห็นแก่ตัวกลายเป็นจิตใจต่ําลงเลยไม่เข้าใจครับเพราะอะไรครับเพราะมีสัญญกรรมตกแต่งไม่ใช่อะไรหรอกเนี่ยคนหน้าตาขี้เลรกลายเป็นคนหน้าตาเหมือนดาราภาพยนตร์ก็มีเยอะแยะไปไปดูภาพเก่าข้ากับภาพใหม่คนละคนเลยลูกนี้บ้าเรื่องภาพรักกันมากทุกคนยอมเสียเงินเสียเท้ายอมเจ็บเนื้อเจ็บตัว เพืที่จะได้สร้างภาพลักษณ์ที่น่าดูขึ้นมาเพราะคนเราสมัยนี้มองที่ภาพลักษณ์กันไม่ได้อมองที่จิตใจไม่ได้อมองที่คุณธรร ม, มก็เลยชอบถูกหลอกกันหน้าตารูปร่างหน้าตาดีแต่จิตใจนี่ไม่ดีเลยจิตใจเห็นแก่ตัวจิตใจอไม่ซื่อสัตย์ฉุจลิบเป็นต้น เวลานั่งสวดมนต์เราหยุดกืนน้ำลายได้ไหมครับไม่ควรอ่ะถ้าหยุดกินน้ำลายก็เหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะการนั่งสมาธินี่เราต้องการที่จะแยกใจออกจากร่างกายไม่ให้ใจไปทำอะไรกับร่างกายถ้ายังไปทำอะไรกับร่างกายอยู่มันก็แยกออกจากกันไม่ได้ดังนั้นนั่งสมาธิ่เราต้องปล่อยให้ร่างกายมันเป็นร่างกายของคนตายไปเลยยุงจะมากัด อะไรจะมาขวนน อ, อะไรใจไม่ต้องไปสนใจปล่อยมันไปเราก็พุโทโธของเราก็ทําการภาวนาของเราไปถ้าใจพุโทโธก็พุโทโธไปถ้าดูลมก็ดูลมไปอย่าทิ้งล ม, มอย่าทิ้งพุโทโธถ้าอยากจะได้สมาธิแม่จิตรวมที่นึ่งสงบต้องอยู่กับพุโทโธอยู่กับการภาวนาไปถ้าเรากลับมาที่ร่างกายให ม, ม่กลับไปเริ่มต้นใหม่ คุณหนุ่มน้อยครับผมฝึกจิตตอนโตตอนนี้ถ้าผมจิตตะภาวนาะจะทําได้ไหมครับคือถ้าเรารู้จักวิธีภาวนาะก็ทําได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักวิธีเราก็ต้องไปศึกษาก่อนอย่าทำเองโดยโดยคิดไปเองว่าทําอย่างนั้นทำอย่างนี้เพราะส่วนใหญ่คนคิดว่าการทําจิตตภาวนาะให้นั่งหลับตาเฉยเฉยไม่ไม่ได้ให้นั่งหลับตาเฉยเฉจิตต้องมีงานทํามีกรรมฐานเป็นงานที่ต้องทํา มีสติอยู่กับกรรมฐานองใดองหนึ่งรูปใดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับพุทธานุสติก็ต้องอยู่กับพุโทโธพุโทโธถ้าอยู่กับลมหายใจก็ต้องดูลมหายใจเข้าออกอานาปนาสติเป็นการทํางานนั่งสมาธิไม่ใื่ใการนั่งเฉยเฉคนเราจะคิดว่านั่งเฉยเฉเป็นทํางานที่ยิ่งใหญ่กว่างานทั้งหมดดวงตาท่านแปลคำว่ากรรมฐานคืองานรื้อภพรือชาติหรือการ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดคืองานจรรมฐานงานภาวนาเพรคนไม่รู้คิดว่าพานั่งหลับตาเฉยๆมันได้อะไรวะไม่ได้นั่งเฉยๆนั่งกําลังทํากรรมฐานกําลังหรือพบดื้อแช่กําลังตัดตัวที่จะบาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดก็คือกิเลสตัณหาต่างๆมันต้องทำโดยการหยุดความคิดเพราะกิกเลสตัณหามันต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือ เมือกับโจรสู้ร้มันต้องใช้รถถ้าเราขโมยรถมันไปทำรถให้มันยากแตกเนี่ยมันก็นป้นธนาคาร ม, มันไม่มีรถหนีมัน ก, ไไมก็ไปไม่ได้ไปไม่ต่อดใช่ไหมเดี๋ย ว, วตำรวจับอันนี้ก็เหมือนกันตั้หางทำอย่างเราต้องเกิดจากต้องมีความคิดเป็นตัวนําฝันพอคิดถึงขนมก็อยากกินขึ้นมาคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปขึ้นมาทันทีแต่พอเราหยุดคิดปัพบเนี่ มันก็รู้จะไปไหนมันไม่มีตัวไม่มีอะไเป็นตัวมาชุดมาเชิญไปมาชวนไ ป, วนไปความคิดนะ่ะเป็นตัวเชิญไปเชวนให้เกิดตัณหาต่างๆคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็อยากจะไปเจร์เขาละถ้าไม่คิดอะไรใจก็นิ่งสงบด้วยไม่พอตัณหาไม่ทํางานจิตสงบความสุขก็เกิดขึ้นมาจิตที่เราไม่สงบหิวโหยก็เพราะตัณหาความอยากมันทำให้เรารู้สึกว่าเราขาดนู่นขาดนี่ไม่อิ่มไม่พอ ทุกวันนี้เวลาจะใส่บาตรมีความรู้สึกว่าจิตไม่ค่อยสงบเลยครับกลัวว่าจะเป็นพระปลอมมาควรจะทําอย่างไรดีครับก็ศึกษาเถอะกขาซื้อทองเนี่ยต้องไปศึกษาทองจริงกับทองเกยใช่ไหมพระปลอมพระจริงก็มีเนี่ยก็ศึกษาได้ก็ศึกษาในเด่ดนจะถามว่พระดีๆวัดดีๆมีที่ไหนบ้างแค่นี้เขาก็จะมีโผลข่ขึ้นมาเยอะแยะนั่นนำไป พระดีวัดดีมีที่ไหนบ้างลองลองเสริรดูสิใกล้บ้านเราบอกที่ใกล้บ้านเลยก็ได้เราอยู่แถวไหนอยู่กรุงเทพหรืออยู่ชนบุรีที่ไหนเมื่อเช้านี้ก็ถามคนมาสายบานมาจากไหนก็มาจากปาร์จีน น, นู่นนะมาสสยบ้านครับางทีก็มาจากใกล้เชียงมาจากระยองมาจากชนบุรีมาจากบอ่อวินคนคนขึ้นเลย่งอะแล้วมาจากที่ที่ไกล คนพื้นที่ชนชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงนีประมาณสักครึ่งอีกครึ่งนี่มาจากที่ไกลพราเขาก็ศึกษาเขาเขารู้ว่าที่ไหนมีพระดีทําบุญแล้วก็มีความสุขใจสบายใจเขาก็ไปที่นั่นครับแล้วเวลามีคนใหม่มาพระอาจารย์เห็นรู้เลยไหมครับไม่เราจะถามว่าเลยมาจากไหนบ้านอยู่ที่ไหนวันที้ ค, ค, คนเก่าเราจะไม่น่าจะถามว่าอยู่ดที่ไหน เป็นการให้ใหความสน็จสนองกับตัวในตะัวรมันก่อนเห็นมีสันพกรไปทั้งเจ็ดสิบคนอาก็ที่คุณหมอแนะนำมาใช่ไหมครับเจ็ดสิามาประชุมแถวนี้ยังไงสองวันนี้ก็มีพวกคณะหมอคณะแพทย์จากชาติสางสามาประชุมแถวพัทยานี่ก็มาใส่บายา มีพอออนโรงยาบาลเจ้ า, จาสาวอยู่คนหนึ่งนำพามเพื่อนมาใส่บาตร oh. จนอย่างจะมีคนมาจากที่การ้ากกว่าครึ่งหนึ่งไม่ใช่ส่วนใหญ่ประมาณขึ้งขึ้นเลย่างวันนี้สี่ร้อยกว่าก็สองร้อยกว่านี่มาจากที่งวงแรมนั้นเต็มเลยนะครับพระอาจารย์ก็ลงมที่ที่ที่เราเบบินทบบาลผ่านนี้เต็มกับทุกวันเนี่ย รรเราเฉพาะเสาที่ไม่เต็มหมดคุณหนุ่มน้อยครับบอกว่าผมโดนมดกัดไหล่ซ้ายคอด้วยหลายตุ่มผมจําเป็นรีบนําเอามดออกไม่ได้เจตนาน่าจะไม่ได้เจตนาฆ่ามดครับจะถามว่าเป็นบาปไหมครับเ <c oughs> จตนาบางทีมั น, นอจาจจะคิดว่าไม่เจตนา แต่มันก็เป็นเจตนาเพราะเราต้องการที่จะเอามดมันออกจากตัวเราที่อาจจะไม่มีเจตนาที่จะให้มันตายแต่เราเนื่องจากเราไม่มีความระมันระวังแล้วก็ทำไกด้วยด้วยทางผิดพลาดหรือผรดหวังอาจจะไม่เป็นบาป ก, ก็ได้แต่อาจจะเป็นอุบททัติเหตุ น, น, นี่ก็ขึ้นอยู่ที่เจตนาเป็นหลัก ชาวต่างชาติสามารถจะเป็นเจ้าอาวาสวัดได้ไหมครับในประเทศไทยนะไอ้ถ้าใครมาบวชเป็นพระก็ถือว่าเป็นพระเหมือนกันหมดแล้วถ้าชาวบ้านเขาศรัท ธ, ธาก็มีสมีศิษย์หลวงตาวะหลวงอยู่รูปเป็นพระชาวเยอะมันบ้างท่านก็ไปตั้งสำแนักของท่านอยู่ในตาอุดรท่านก็ไม่ได้ตั้งท่านไปอยู่ที่ไห น, นแล้วชาวบ้านศรัท ธ, ธาชาวบ้านก็สนับสนุนกันเองพระกรรมาฐานสัญญาณที่สร้างวั้นด้วยกําลังศรัท ธ, ธาของชาวบ้าน ฮะอย่างหลวงตาเลยว่าป่ามันต่าท่านก็ไม่ได้ไปสร้างท่านก็ไปปักกดอยู่ตรงนั้นเพราะไปเยี่ยมบรรดาพอดีที่ที่ที่นั้นเนที่ของที่ที่ของหมู่บ้านเป็นส่วนกลางที่ไม่มีใครใช้เพราะมันเป็นมันที่ทํานาไม่ได้ท่านก็ไปปักกดอยู่ที่นั่นแล้วชาวบ้านเขาก็ศรัทธาในตัวตาก็มีมนต์ให้ท่านอยู่เ้าก็ช่วยสร้างเปอ า, าสร้างเต๊ะ อะไรไปใหม่ๆก็แบบทําแบบง่ายๆมุงด้วยจากมุงด้วยฝ้าฝ้าก็ทำด้วยกระดาษก็มีเนเแต่พอหลบแดดหลบฝนได้อยู่ไปแล้วพอคนเริ่มรู้จักมากขึ้นมากขึ้นศรัทธามากขึ้นก็บ่อยจ่าเงินมากขึ้นไปสร้างฐานะเราเป็สถตว์านขึ้นมาตามลำดั บ, บต่อไปมันอยู่ที่คุณธรรมของผู้ของพระที่อยู่นะถ้าในคุณธรรมไม่ไม่สำคัญว่าเป็น เป็นชาติไหนก็มีพระอยู่รูปหนึ่งที่ท่านได้เป็นเจ้าคุณชั้นพรมแล้วไม่ใช่ท่านลองสมเด็จนะท่านก็เป็นพระชาวกรีกนะครับอ๋อใช่ครับท่าน้นเดินทางออกไปแล้วนี่ครับอาจารย<ช>์เชยาสซาโรอะไรี้ย ม, มีอยู่รูปหนึ่งครับส่วนเดินทางออกนี้พระอาจารย์สุเมโตนี่ท <พา S 1> ่านก็เป็นลูกศิษย์คนองค์แรกของน้องปู่ชาที่เป็นชาวต่ำชาติท่านส่วนใหญ่ท่านจะไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษไปสร้าง วัดที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษนได้พระไม่มไ ม, ไม่ไม่ได้ถือว่าเป็นพอมาบวชเป็นพระแล้วไม่นี่เราไม่แยกแยะว่าเป็นเป็นชาวอะไรถือว่าเป็นพระถ้าท่านท่ปฏิพัติดีปฏิบัติดีตัดธรรมวินยัยก็ถือว่าเป็นพระสมบูรณ์คุณวันธนาครับทําไมเราต้องเกิดมาและต้องเกิดไปอีกนานแค่ไหนและทําอย่างไรถึงจะไม่เกิดครับ ก็อย่างที่ได้พูดไว้เหตุที่พาให้เรามาเกิดก็ตัณหาความอยากสามอย่างเนี่ยการมาตัณหาความอยากเสพความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นนั้ภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากร่มอยากรวยอยากจเจรินในรานยศสรเสริญสุขมีภาวะตัณหาก็คือความไม่อยากให้รานยศิรเสริญสุขที่มีนี้เสื่อมไปอยากจะให้โดยไปเรื่อยๆอยากให้มีตำแหน่งไปเรื่อยๆ อันนี้ก็เลยทําให้เราต้องกลับมาเกิดเรื่อยเพราะว่าร่างกายมันไม่อยู่ไปได้เรื่อยรงการนี้มันอยู่ได้แค่แปดสิบปีเก้าสิบปีมันก็หมดสภาพแต่ใจความอยากที่อยากจะเสดการมันยังไม่มันไม่หมดความอยากเป็นใหญ่เป็นโตยังไม่หมดมันก็ไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายใหม่เราจะทํานี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่ารเราจะมาหยุดความอยากทั้งสามนี้ให้ได้ด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนา คนบางคนสร้างภาพเป็นคนดีด้วยการปฏิบัติธรรมเหมือนมาชุบตัวไม่ได้จะมาละกิเลสจะแก้อย่างไงดีครับตัวเราเองเหรอเนื่อคนอื่นเราไปแก้ก็ไม่ได้เรีกแต่เราให้รู้ทันเขาก็แล้วกันว่าเขาเป็นผู้มาสร้างภาพเราก็อย่าไปหลงตามเชื่อตามเขาก็แล้วกันเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้เราอยากจะทาอะไรก็มีกฎแห่งกรรมเป็นผู้จัดการเขาเอง อีฟครับสามสองข้อครับข้อที่หนึ่งครับปรมัราทบารมีคืออะไรครับอันนี้เราไม่แน่ใจนะเพราะเราไม่ได้ชํานาญทางด้านปริยัตทางด้านข้อคำพีก็ ข, อ, ขอผ่านไปดีกว่าข้อที่สองครับผู้ที่อยู่ในเพศค า, ารว่าแต่ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมสามารถเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นค า, ารว่าแล้วเป็นพระ ถ้ามีคุณธรรมสูงมีสติมีปรรัญญามีสมาธิก็สามารถที่จะทำให้ใจิตใจไม่หวันหว่นไหวกับโลกราไนได้เมตตาเอื้อเฟื้อคนเคยทำดีผิดไหมครับ๋ยวชช่ยอยมาช่วยอันอนะี้คีดไหม มีความ เ, เลื่อเสื้อคนเคยทําไม่ดีมาก่นอนถูกไหมครับคือการเลื่กเฟื้อมันไม่ผิดหรอกคนดีแล้วไม่ดีเราก็เลือฟื้อให้ได้เช่นถ้าเขาอดอยากขาดแคลนถ้าแม้เขาจะเป็นโจรบางเทีเราก็ต้องสอง่งค้อเขาหรือเ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็พาเขาไปโรงพยาบาลอย่างเจ้าหน้าที่ตํารวจเวลบไปจับคนร้ายคนร้ายต่อสู้ยิงเอาบาดเจ็บ ก็ยัต้องส่งเขาไปโรงพยาบาลอันนี้เป็นการเอื้อเฟื้อในระดับมนุษยธรรมที่ควรจะทําในฐานะที่เราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราก็ทําได้แต่เราก็ต้องมีขอบมีเขตท่านั้นเองว่าเราอย่าไปส่งเสริมให้เขาไปทำร้ายผู้อื่นต่อไปอยส่งเสริมให้เขามีชีวิตอยู่แต่อาจจะต้องกัดขังเขากับตัวเขาไว้ไม่ให้ไปทําทําร้ายผู้อื่นต่อไป คุณปรางครับงานปรุงแต่งจิตอาจเกิดขึ้นได้สำหรับผู้หัดและผู้กำลังปฏิบัติธรรมหากผู้ปฏิบัติคิดว่าบรรลุธรรมบางขั้นแล้วอาจเป็นอันตรายได้หากเข้าใจผิดพระอาจารย์โปรดไมตาสอนวิธีการดึงความคิดหลงผิดนั้นกลับมาอย่างไรได้บ้างครับคือการจะบรรลุธรรมขั้ น, นต่างๆนี่มันต้องผ่านทุกข์ไม่ใช่มันนั่งมันนั่งคิดพิจารณา โอยเราละสักยะทิฏฐิได้แล้วเรารู้แล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราขันห้าไม่ใช่ตัวเราแล้วก็คิดว่าบรรลุนี่เนี่ยคิดบรรลุด้วยความคิดไม่ใช่บรรลุด้วยความจริงการบรษย์ด้วยความจริงนี้ต้เกิดทุกข์ขึ้นมาทุกข์ที่เกิดจากการที่เราไปยึดไปติดกับขันห้าไปยึดติดกับร่างกายเป็นใช่เวลาร่างกายจะเจ็บจะตายนี่เราจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราไม่อยากให้มันเจ ams, ็บไม่อยากให้มันตาย อันนี้แลหละเกิเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเราจะดับความทุกข์นี้ได้ไงเราก็ต้องเห็นว่าเหตุที่เราทุกข์ก็เพราะเราไปยึดไปติดนัางกายอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายซึ่งเราห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ถ้ามันอยากจะตายมันถึงวลาจะตายมันถึงจะเจ็บก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บไปถ้าปล่อยได้ทุกข์ก็ดับไปจกกับได้เคยไปหาหมอตอนตอน้นเครียดหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย แต่พอใช้ปัญญาพิจารณาว่าโอ้เราเครีเราทุกข์เพราะเราไม่อยากตายไม่อยากเจ็บไม่อยากจะเป็นมะเร็งแต่มันก็หนีไม่พ้นความจริงมันปรากฏให้เห็นนะ ว, ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราพอเราเห็นเรายอมรับความจริงนี้ได้เราก็หยุดความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้พอหยุดได้ความทุกข์ใจก็หายไปอันนี้เรียกว่าบรรลุจริงๆต้องบรรลุด้วยการดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันดวน อรารมีคำพูดนะทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดเราต้องทุกข์ก่อนทุกข์เราต้องใช้ปัญญามามาดับความทุกข์นี้ด้วยการพิจารณาหาสาเหตุของความทุกข์ก็เกิดจากตัณหาความอยากอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงนะมันเที่ยงอยากให้ร่างกายมันเที่ยงแต่มันไม่เที่ยง่างนี้เป็นต้นเอามันรู้แบบนี้มันทุกข์ขั้นมันจะมีความทุกข์ให้ปรากฏขึ้นมาให้เห็น เราสามารถใช้ปัญญามาพิจารณาละปัญหาความอยากที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจนั้นได้หรือเปล่าถ้าละได้เรารู้มั่นใจตั้งจากที่พิจารณาปล่อยวางร่างกายได้ไม่กลัวตายแล้วเพราะยอมตายแล้วยอมเจ็บแล้วอันนี้มั่นใจต่อที่มันร่างกายมันจะเจ็บกันนานนะจะตายเมื่อไหร่มันไม่เป็นปัญหาต่อไปทุกข์จะไม่เกิดต่อไปอย่างนี้ถึงนี่เรียกว่ามันรู้จริง บางคนมันรู้แบบไม่รู้เรื่องทุกเลยทุกสมุทัยนี่รอดนั่งไม่ไม่ปรากฏเลยเพียงแต่อ่านเข้าไปอ่านว่าจะลาสังโยชนจะเป็นโซดาบานต้องล่างอะไรมากตอนงก็เราก็รักษาศีลตลอดรักษาศีลห้าเราก็ไม่ยึดไม่ติดร่างกายของเราใช่ตอนนี้ไม่ยึดไม่ติดเพราะมันไม่เป็นอะไรเราที่เวลาที่มันเป็นอรื่เนี่ยเน่ามันยึดติดหรือเปล่า หลวงตาครับหนูไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่แต่หนูส่งเงินให้ตลอดเพื่อให้ซื้ออาหารเดือนละหลายพันอย่างนี้หนูบาปไหมครับไม่บาปเหมือนกันเงบางทีเหตุการณ์นในชีวิตของเราไม่สามารถทําให้เราอยู่ใกล้พ่อแม่ได้เราก็ส่งเงินไปให้ท่านมันก็เหมือนมันก็เป็นการเลี้ยงพ่อแม่ด้วยได้เงินทองนี่แหละพ่อแม่ก็เอาเงินทองไปซื้ออาหารไปซื้อสิ่งจำเป็นต่อการดํำรงชีพของเขาคุณนัดว่าไราพันธ์ครับ อวิชชาปัจญาสังขาราสังขาราปัจญาวิญญาณังสังขารในที่นี้คือร่างกายใช่ไหมครับไม่ใช่เหรอทีนี้สังขารในที่หมายถึงความคิดปรุงแต่อวิชชาคือความความหลงความอยากอยากหาความสุขอยากการอยากรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันก็เลยสั่งให้สังขารมรุงแต่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสโ ด, ดยการสั่งให้วิญญาณไปหาร่างกาย เพื่อจะได้ไปเกาะกับตาหูจมูกเน้นกายของร่างกายวิญญาณวิญญาณเป็นตัวที่ไปเกอบไปเชื่อมระหว่างจิตกับกับร่างกายไปเชื่อมที่ตาหูจมูกเน้นกายของร่างกายเพื่อที่จะได้นำรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกเน้นกายแล้วก็ส่งมาทางวิญญาณให้มาที่ใจเพื่อใจจะได้เสพสัมผัสตอบสนองต่อาตหาความอยากของตนอ ว, วิชาก็คือความ ความความอยากอวิชชาเป็นตัวที่ทําให้เกิดความอยากอยาในความิวอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภาณฑ์ยังสั่งให้สังขารไปหาไปหาร่างกายเพราะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือวิญญาณก็เลยไปหาไปปฏิสนธิไปเกาะร่างกายเวลาในการสร้างร่างกายขึ้นมาเพื่อที่จะได้ใช้ตาของจมูกยิ่งกายของร่างกายเวลา พ่อเรามาจยท่องแม่แล้วก็เริ่มรับรูปเสียงกินนั่เข้ามาแล้วก็เริ่มเสดเสจทั้งสุขเสดทั้งทุกข์เาเป้าหมายต้องการเสดสุขแต่บางทีรูปเสียงกินแล้ว ม, มันก็มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มันก็เลยได้เจอได้ทั้งสองนย่างการอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนต้องประชิก ค, คือขาดจากความเป็นพระสงค์ต้องให้ลาสิกขาไปถูกต้องหรือไม่ครับ ถูกต้อง ด, ดีอยู่ไปก็มก็ถือว่าไม่เป็นพระนะถึงแม้ว่าถ้าไม่ได้บอกใครหรือว่าถ้ายัางปฏิเสธคือในกระบวนการสงฆ์ก็ต้องมีการพิสูจน์ไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะให้เขาลาศิกขาไปเลยถ้าเขายินยันว่าเขาไม่ผิดก็ต้องฟังต้องเองไปก็เมือขึ้นศาลน่ะศาลของสองฆ์ก็ต้องไปให้พระเทระผู้ใหญ่ท่านเป็นผู้พิจารณาว่าอยู่ในข่ายประราชิกหรือไม่ บทีพูดด้เจตนาบริสุทธิ์เนี่ยแต่บางคนไม่เชื่อก็ไปหาว่าอุตริขึ้นมาครับแล้วบางทีเรื่องรหล่นี้เป็นเรื่องภายในของจิตเนี่ยใครจะไปพิสูจน์ได้ว่าพูดจริงหรือไม่จริงอย่างคุณมอบอกผมเป็นโซดาบันแล้วเนี่ยใครจะไปพิสูจน์ถึงเป็นเรื่องอันตรายถึงสาําหรับพระไม่ควรพูดเรื่องอาไเหล่านี้เพราะว่ามันมันเสี่ยงต่อการถูกเขากล่าวหาว่าเป็น การอวดอุตริได้เห็างนึงบางจะไม่พูดเกี่ยวกับตัวเองดีกว่าพูดพูดเป็นหลนักธรรมไปแบบกลารดีกว่าปลอดภัยกว่าแต่ถ้าพูดว่าผมเป็นนุ่นเป็นนี่เนี้ยคนเขาฟังแล้วอาจจะหมันไส้ขึนไม่จะหาแสงหรือ ว, ว่าพวกหิวแสงหรือ ว, ว่าเดี๋ยวกายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาครับทีนี้คนพูดกันเยอะเลยนะครับอาจารย์ได้ยินคนนิดนนิ กันครับคุณเปาครับอยากทราบว่าพระรับเงินหรือจับเงินและพระให้พรกโ ย, ยมที่ตักบาตรผิดไหมครับซึ่งมีปัญหาสาหรับพระสายวัดป่ามากครับขอทราบรายละเอียดครับคือเรื่องการให้พร น, นี้ตามปกติท่านจะไม่นิยมให้กับทุกคนหมายถึงคนที่ใส่บาตรแล้วก็ต้องสวดญาติถาสักทีถ้าทำนี้บายบางทีเพนก็ยังไม่เสร็จ คนเยอะๆอย่างสายวัดป่าถ้าอย่างเราต้องให้พรทุกคนสี่ร้อยคนเนี่ยนั้นการบิณฑบาตนี้จะไม่นิยมให้พอรอีกนี่ายวัดป่านี้จะไม่มีการให้พรรับแต่บาตไปเพราะพรมันเกิดขึ้นจากในผู้กระทาแล้วผู้กระทำได้รับพรก็คือบุญกุศลที่เกิดจากการทําบุญไม่จำเป็นที่จะต้องมาให้พรการให้พรนี่เป็นเพียงแต่การสแสดงมารยาทแสดงความชื่นชมยินดีกับ การทำความดีของคนค น, นั้นคนี้เท่านั้นเองเป็นการเหมือนก็ให้กำลังใจพพอพา่พายพอแล้วมันจะมีกำลังใจแต่ควาจริงพอมันเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ที่ใส่บาดไปแล้วจึงไม่มีความจะเป็นที่จะทำให้พอในะช่วงที่ตักบาดใดเรื่องการจับเงินรู้รับเงินนี้พระรับเงินได้แต่ไม่ได้ให้รับกับตนเองให้ฝากไว้กับลูกศิษย์ที่เรา ตั้งให้มาเป็นผู้ดูแลจัดาจา ก, การกับทรัพย์สินเงินทองของของพระแต่ว่าใน mm hmm. แรกๆนี้พระพุทธเจ้าไม่ให้พระรับเงินเลยแต่ต่อมาก็มีคนขอร้องบอกว่าพระบางรูปเขาอาจจะขาดแคลนเรื่องปัจจัยสีอย่อย่างใดอย่างหนึ่ง mm hmm. ก็อยากจะให้เขาได้มีปัจจัยไว้ซื้อมบางทีขาดยาบ้างบางทีอาหารบิณฑบาตขาดแคลนหรือต้องมีอาหารเฉพาะบางอย่างกินเวลาไม่สบายเลย เขาจะวาถ้าอย่างงั้นก็ต้องใ ห, ให้ให้มอบไว้กับวั ย, ยาวัจกรคือผู้ที่จะดูแลเงินทองของพระไม่ให้พระถือว่าเป็นเงินเป็นทองของพระเองแล้วเวลาจะใช้เงินนี้ก็ต้องให้วา ย, ยาวัจกรเป็นผู้ไปซื้อของให้ไม่ไม่สามารถที่จะจับเงินไปเข้าร้านเซเว่นแล้วเลือกซื้อของตามตามอำเภอใจได้ หลวงพ่อคะเรามีเทคนิคอยู่กับคำว่าสักแต่ว่าได้อย่างไรครับก็ต้องทาสมาธิให้จิตเป็นอุเบกขาเยถ้าจิตเป็นอุเบกขาแล้วมันก็จะสักแต่ว่าโดยอัตโนมัติถ้ายังไม่ถ้ายังไม่ถึงสมาธิขัน้นขั้นอุเบกขานี่มันก็จะไม่สักแต่ว่ามันเห็นอะไรมันก็จะปรุงแต่ง ม, มันก็จะมีปฏิกิริยาตอบโต้กับสิ่งที่ไปสัมผัสรับรลยม่นักก็ชังไม่ไม่ชังก็กลัวไม่ไม่กลัวก็หลง จะเป็นอย่างนั้นแต่พอนั่งสมาธิทำ จ, จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิเข้าฌานสีได้จิตมันก็จะมีอยู่เบกาขึ้นมาโมเบกะก็คือจิตไม่รับไม่ชังไม่กลัวไม่หลงสักแต่ว่ารู้คุณคณิ t ฐาครับขอหลวงพ่อขึ้นทางด่วนจะสิ้นพบจบชาติได้มากน้อยแค่ไหนไม่อยากเกิดแล้วขอหลวงพ่อชี้แนะหนทางลูกด้วยครับ ต้องพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นลดกิเลสให้น้อยลงอย่าเอาเงินทองไปใช้ตามกิเลสอย่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าไปซื้อรูปเสียงกิ่นลดบันเสกเอาเงินทอง ไ, ไว้เฉพาะการเลี้ย ง, งชีพก็พอซื้อปัจจัยสีที่จําเป็นที่ขาดแคลนน้ำเงินเงินทองก็เก็บสำนวนไว้ก็ได้เผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเนือะไรหรือว่าถ้ามันมีเยอะเกินไปก็จะเอาไปทําบุญทําทานก็ได้ ต้องเลิกพยายามุฒละการใช้เงินทองแล้วเราจะได้ไม่ต้องทํางานมากพอเรารายจ่ายน้อยรายรัก็ต้องเราก็สามารถลดรายรับได้เราก็สามารถลดการทํางานลงได้เราก็จะได้มีเวลาฝึกการการปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นทํานี้ไปต่อไปการปฏิบัติธรรมเราก็จะทําให้เรามีกําลังตัว น, นั้นที่เสร็จเราก็สามารถที่จะไปบวชขึ้นทางดุนได้ คุณพ่อมีความคิดว่าบุคคลรอบข้างเป็นคนไม่ดีเลยพูดไม่ดีกับคุณพ่อบาปหนักไหมครับแล้วจะต้องทําอย่างไรดีครับหมายถึงรูกไปพูดไม่ดีกับคุณพ่อนะที่ไปคิดว่าคนอื่นไม่ดีครับก็ไม่ต้องไม่ควรนะสำหรับเราที่จะไปสอนพ่อพ่อแม่เราผู้หลักผู้ใหญ่เราไม่ใช่ฐานะของเราที่จะไปสอนพ่อแม่ผู้ที่ก็มีพ่อคุณกับเรา นอกจากว่าถ้าเขาปรึกษาขอความรู้จากเราอี้างนีก็พูดได้แต่ถ้าอยู่ดีๆอย่าไปบอกว่าพ่อทาอย่างนู้นทำนี้ไม่ถูกนะไ ม, ไม่ไม่ควรคุณสัมพันธ์ครับนั่งสมาธิแล้วจิตยังฟุง้งมีวิธีการช่วยให้มีสมาธิไหมครับต้องฝึกสติให้มากก่อนที่จะมานั่งสมาธิเพราะว่าถ้าไม่มีสติใจก็จะฟุ้งมาเรื่อยๆังต้องหยุดการฟุ้งก่อนที่มานั่ง ก็คือเราต้องเจริญสติอยู่ตั้งแต่ตืน่นตื่นมาจนถึงวหลับเลยทั้งวันทั้งคืนนี่พยายามเจริญสติด้วยการใช้คําบริกรรมพุโทโธก็ได้หรือด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้อย่าให้ใจทิ้งร่างกายให้อยู่กับร่างกายในทุกปิเรยียบทุกการกระทําที่กําลังแปลงฟันก็ให้อยู่กับการแปลงฟันอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ในขณะเดียวกันถ้าฝึกนี้ได้เวลามานั่งสมาธิจิตจะไม่ฟุ้ง จะเข้าสู่การประกบได้ภายในห้านาทีเวลาสวดมนต์น้ําตาไหลเหมือนคนร้องไห้เลยครับเป็นเพราะอะไรครับมันก็เป็นปฏิจจญาของเราต่อต่อการสวดมนต์บางคนก็มีปฏิจจญาต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปนั่นเองถ้าไม่ได้ทําให้เราสศกเศร้าเสียใจก็ไม่ไม่ได้เป็นกิเลสไม่ได้เป็นความทุกข์อะไอย่างไรแต่เป็นเรื่องของปฏิจจญา ที่อาจจะเรียกว่าปิติมือสาบซึ่งอะไรก็แล้วแต่คุณสุรพัฒนสรพบุญครับเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกแล้วปวดขามากจนไม่สามารถดูลมหายใจต่อได้ควรทำอย่างไรครับถ้าอยากจะนั่งต่อไปอาจจะต้องเพลเิเพลนคำบริกรรมแทนบริกรรมพุโทโธพุโทโธเพราะการดูลมนี่มันจะมีสติมันจะมีกำลังน้อยกว่า ถาเราบริการพุโทโธนี่มันจะทําให้เรามีสติมากขึ้นทาให้เราไม่ไปสนใจกับอาการเจ็บปวดของร่างกายได้พอเราไม่ไปสนใจอาการเจ็บปวดความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากการเจ็บปวดของร่างกายก็จะหายไปเราใจก็สามารถนั่งอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้อย่างสบายกับเรียนพระอาจารย์ครับไม่ค่อยได้ปฏิบัติในรูปแบบแต่พอหายใจยาวๆช้าๆจะมีความรู้สึก ขึ้นมาทั้งตัวเลยครับอันนี้ไม่เรน้นว่าเป็นการปฏิบัติมันก็ไม่เน้นผลที่เกิดจากการหายใจตามปกติเคิ่นี้คนไม่ดีกับคนดีแบ่งด้วยอะไรครับแบ่งด้วยศีลธรรมน้ำพรมวิหารศีลคนดีจะไม่ทำบาปคนดียังมีพรมวิหารศีลมีความเมตตากรุณามุดิตาต่อบุคคลทั้งหลายทั้งปวง คนไม่ดีจะทำจะชอบทบําบาปชอบเบียดเบียนผู้อื่นขาดความเมตตากรุณามีคําถามที่คล้ายกันนะครับบอกว่าสวดมนต์แล้วน้ําตาไหลกับนั่งสมาธิแล้วน้ําตาไหลครับก็แบบเดียวกันมีบางคนเห็นได้เห็นภาพเห็นดาราที่ถูกใจน้ําตาก็ะไหลเลือดีออกมาก็ได้ย่ามีบางคนมาใส่บาตก็เห็น น, น้ําตาน้ําตาซึมก็มีเวลาพอได้ใส่บาตเข้าใจว่านี่ก็น้ําตาซึมขึ้นมาก็มี มันเกิดความรู้สึกที่มันสัมผัสในใจเขาบางคนเรียนดูาสานเดินทางมากลเพืา่อมาใส่บาท น, นะพอได้ใส่แล้วรู้สึกถึยความปลื้มปิติขึ้นมาน้ำตาก็ไหลขึ้นมามีคนบอกอย่างนี้เยอะครับอาจารย์ครับบางคนเจอกันในห้องสูบมีแต่ชาวต่างประเทศยังไม่พอยั้ก็อมาเจอที่เจอตัวที่ ท, ที่วัน เมื่อมวานนี้ก็าวันเสาก็มีมาจากดูไบก็เข้าห้องสูงท่ทุกวัดคืนวันอังคารแต่พอช่วงนี้เขามีเวลาว่างเขาก็เลยพาเพื่อนมามาเมืองไทยไปไปไปไปไปเยี่ยมวัดบบตา่างๆก็มามาที่วัดผมไม่ต้องมาก็ได้เขาเจอกันทุกคื น, นวันอังคารเราไม่เหมือนกันเรา <c oughs> เราได้คิดนเขาไหมครับอาจารย์ครับ ว่าไม่ได้ขึ้นก็มาฟังเทศที่น่ากติครับคุณปีชาครับถ้าหากผิดศีลข้อหนึ่งถึงสองหนึ่งผิดศีลหนึ่งถึงสองข้อแต่ปฏิบัติเจริญสติและทำสมาธิมีโอกาสได้ฌานหนึ่งสองไหมครับคือเวลาทำบาปเนี่ยมันจะเป็นทำให้ใจเราไม่จใจเราวุ่นวายกับกับการกระทำบาปของเราเพราะเวลานั่งสมาธิมันจะนั่งไม่ได้ พความคิดที่เกี่ยวข้อเรื่องการทําบาปมันจะมาคอยลบวนใจแต่ถ้าเราสามารถนั่งสมาธิได้โดยที่ไม่ไม่พูดวายใจกับการการะทําบาปของเราก็ก็สามารถเข้าสมาธิได้อยู่ที่ว่าเรามีสติมากน้อยเพียงไรเป็นหลักแต่การทําบาปนี้เวลาทำบางทีเราใจเราไม่สบายใช่ไหมคิดถึงเหตุนิดถึงการการะทําบาปของเรา วเวลามานั่งมันก็ยังคิดถึงเรื่องการกระทำบาปของเราอยู่มันก็จะกลายเป็นนิวรันขึ้นมาเป็นทําเพื่อพุงพ่งสร้างการพุ่งสร้างเกิดขึ้นจากการกระทำบาปขอพระอาจารย์ชี้แนะการอยู่กับคนที่พูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีตลอดเพราะว่าเขาเป็นคนใกล้ตัวครับถ้าเราต้องอยู่ก<ม>ับเขาเขปล่อยเขาพูดไปตามเรื่องของเขาเราต้องอยอมรับว่านี่เป็นลูกปนนิสัยของเขา เขาเป็นคนแบบนี้เราจะไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เหมือ น, นกับเขาเป็นผลไม้ชนิดนี้มันจะไปเปลี่ยนให้เขาเป็นอย่างอื่นไม่ได้อเขาเป็นกล้วยอยากจะไปเปลี่ยนให้เขาเป็นสับปะรดเนี่ยเป็นแปไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาเป็นกล้วยไปแล้วก็รู้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางไปคุณบาริสต้าครับขอสอบถามหลวงพ่อว่าสัตว์เซลล์เดียวพวกไวรัสแบคทีเรียมีดวงจิตไหมครับเรามีโอกาสเกิดเป็นจริงมีชีวิตพวกนี้ได้ไหมครับ ไม่น่าไม่น่าจะมีโยมิญญาณนะเพราะว่าโยมิญญาณจะต้องไม่เกาะสัตว์ที่มีตาหูจมูกเลี้กายเพราะมิญญาเน้นอาการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะบทสวดมนต์ก่อนนอนควรจะสวดบทไหนดีครับสวดได้ทุกบทแนละ้วแต่ที่เราจะพอใจจะสวดชอบหลวงไหนก็สวดได้การสวดก็เพื่อทําใจให้เราสมองให้จะให้เรานอนหลับ ง, ง่าย บางทีเราไม่ได้สวดเนะี่บางทีเรายังคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเรื่องคนเรื่องคนนี้อยู่บางทีทําให้นอนไม่หลับก็ได้แต่พอเราสวดวนแป๊แล้วก็เลืมเรื่องราวต่างๆไปแล้วใจก็แล้วก็หลับได้อย่างสบายคุณมีนาครับ อนนี้เลิกไปเที่ยวเมืองนอกได้สิบกว่าปีแล้วครับความอยากลดลงไปมากแล้วรู้สึกสบายใจมากแต่ก่อนไปเที่ยวกลับมา ก, ก็อยากหาที่ไปเที่ยวใหม่ชอบไปเที่ยวมากตอนหลังเข้าใจแล้วว่ามันทุบไม่เที่ยงอย่างที่พ่อจย์สอนจริงๆจะน้อมนำไปพยายามเลือกอื่นๆต่อไปนะครับออพยายามตัดให้มากที่สุดอยู่บ้านที่เฉยเนี่ยดีสบา ย, ยาตายไม่มีที่ไหนหดีกว่า บ, บ้านเราแล้วแต่ให้เป็นโรงแรมห้าดาวมันก็ซื้อบ้านเราไม่ได้ใช่ไ การหลับการกินอยู่เนี่ยมันอยู่บ้านเรามันสะดวกสบายกว่าเยอะแยะยยทำให้ทำให้อยู่กับยอมทนไปอยู่กับที่ที่เราไม่เฉยชินต้องไปปรับตัวกับสถานที่กับอาหารอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเพราะความอยากเพราะมันเบื่ออยู่บ้านมันเบื่อเนะเพราะความอยากมันทําให้เราเบื่อบ้านมันต้องทิ้งบ้านเพื่อที่จะไปหาความสุขนอกบ้านนะควก็จริงที่ไหนมันดีเท่าบ้านเราเนี่ยภาษาฝรั่งเขาจะบอกโฮมโฮมสวีทโฮมใช่ไหม วา เ, าเนี้ยเป็นที่อยู่ที่ดีที่สุดการจัดคอร์สปฏิบัติธรรมโดยนิมนต์พระมาสอนกรรมฐานมีอานิสองส์อย่างไรบ้างครับแต่ว่ารู้สึกปิติมากครับถ้ามาผู้จัดนะผู้จัดก็เป็นเหมือนสะพานบุญนะมันผู้จัดการที่จะทําให้คนที่อยากได้ธรรมะแล้วกับคนที่จะสอนธรรมะได้มาพบปะกันเพื่อที่เขาจะได้รับประโยชน์จากการ ได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติธรรมเราก็เหมือนกับเราก็ได้บุญเ ร, เรื่องการรับใช้ผู้่บไน เ, เป็นจิตอาสาไปในทำเรานั้นครับคุณบีวิสครับการเทน้ำที่ขังอยู่ทิ้งเพื่อป้องกันยุงวางไข่แล้วทำให้ลูกน้ำยุงตายเราผิดศีลแน่ๆใช่ไหมครับแล้วจะเป็นบาปมากไหมครับ ก็ถ้าทําให้เขาตายก็บาปเนี่ยบาปมากบาปน้อยก็อยู่ที่ศาสตร์ที่เราฆ่าว่ามีคุนมีคนประโยชน์มากน้อยมีคุณค่ามากน้อยวิธีที่จะมาทําให้เขาตายก็เทงลงไปในน้ำเสีเอาไปเทลงไปในแม่น้ําลําคลองที่ไหนก็ได้หลวงพ่อเคยพูดถึงธาตุรู้มีลักษณะที่เราเจอได้เองไหมครับและมีลักษณะที่สังเกตได้อย่างไรครับ ก็เ น, นี่ยแหละพูดที่กําลังพูดอยู่นี่ก็คือท่านรู้ไม่ใช่ร่างกายน่างกายเป็นเพียงแต่ผูดร้องคำสั่งกับท่านรู้อีกทีให้แล้วพู้ที่กําลังได้ยินได้ฟังอยู่นี่ก็คือท่านรู้อกีกรู้จะอธิบายยังไงเราก็คือท่านรู้นะที่แต่ละเราไม่รู้ว่าเราเป็นท่านรู้เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายครับท่านรู้คือใครก็คือผู้ที่สามารถคิดได้จําได้ไหมายรู้ผู้ที่รู้สิ่งต่างๆนี่คือท่านรู้ มียังสิ่งอย่างอื่นไ ม, ม่มีความสามารถในความในการรู้นะร่างกายนี้ไม่รู้อะไรเลยไม่มีการรับรู้ได้เลยขณะร่างกายเจ็บร่างกายไม่รู้มันเจ็บผู้ที่รู้ก็คือท่านรู้คุณโบครับเจริญสติในรูปแบบทุกวันแต่ฟุ้งเรื่อยๆไม่มีสมาธิจิตไม่ถึงฐานรู้สึกไม่ก้าวหน้าขอคาแนะนำครับ ก็ต้องไปฝึกสมฝึกจาริญสติในวันที่เราว่างจากการทำงานไปอยู่ที่สงบไปอยู่ที่คนเดียวเพราะปกติในชีวิตประจำวันนี้มันมีเรื่องที่จะทำให้เราไม่สามารถที่จะเจริญสติได้อย่างต่อเ น, นื่องต้องหาวันหยุดแล้วก็ไปเข้าเข้าคอร์สก็ได้ไปไปที่สถานที่ปฏิบัติธรรมที่เขาจะจัดที่อยู่ให้เราอยู่ตามลาพัก แล้วเราจะได้เจริญสติได้ทั้งวันโดยที่ไม่มีอะไรมาคอยมาคอยรบกวนใจเราการสวดมนต์บทพระพุทธคุณธรรมคุณพระสังฆคุณและตามด้วยแผ่เมตตาเท่านี้พอไหมครับสวดทุกวันครับก็อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรจากการสวดนะเพราะให้กัการสวดจริงๆนี้ก็เพื่อให้เรามีสติแล้วเราควบคุมการคิดต่างๆได้ ถ้าเราสวดไปแล้วใจเรายังฟุ้งอยู่ก็ยังยังไม่พอถ้าเราต้องการให้ใจสงบแล้วว่ต้องสวดไปจะกลาดใจจะหายฟุง้งหายสงบถึงจะพอเหมือนกินยาเราเรากินยาเพื่อให้หายไข้ใช่ไหม <c oughs> ถ้าไข้ยังไม่หายแล้วต้องกินไปเรื่อยๆกินมันจะกลาดไข้มันจะหายไปแล้วถึงจะหยุดกินได้ัดารสวดมนตก็เป็นทางการรักษารักษาความฟุ้งซ่านของใจรักษาผักเครียดของใจบางทีเราเครียดการเริ่มการงา น, นงต่างๆ เรากกลับมาบ้านมานั่งโสดส่วยเป็นกงกว่าความเครียดเกี่ยวเรื่องการงานหายไปเราก็เลิกโสดได้คุณเอเวเรสครับตอนนี้แม่มีปัญหาสุขภาพแต่ไม่ทำให้คนที่ดูแลทำงานสะดวกเพราะเอาแต่ใจตัวเองแบบไม่มีเหตุผลล่าสุดแม่หูตึงไปตรวจการได้ยินอยู่ที่75เดซิเบลแต่แม่ยอมให้หมอทำเครื่องช่วยฟังให้แต่สั่งให้ทุกคนรอบข้างตะโกนดังๆเวลาพูดกับเขา ล่าสุดเราไม่สบายเจ็บคอไม่ได้ไปหาใช้โทรหาเขาอ่านปากไม่ได้เขาไม่ได้ยินเราเขาไม่พอใจขึ้นเสียงตะคอกและบอกให้เราพูดดังๆหนูรู้สึกโกรธมากแล้วบอกเขาว่าเขาควรใช้เครื่องช่วยฟังไม่ใช่ต้องให้คนล็อกข้างตะโกนยิ่งถ้าเราไม่ได้อยู่ในบ้านแล้วคุยโทรศัพท์กับแม่ตอนอยู่นอกบ้านจะอายคนครับก็ถ้าม <mind> ีปัญหาเราก็ต้องหาวิธีแก้ถ้าโทษ โทรศัพท์คุยกัไม่รู้เรื่องก็เนี่ยถ้าอยใช้โทรศัพท์รอเวลาไปเจอกันที่บ้านแล้วคุยกันแล้วเราก็เปลี่ยนคุณแม่ไม่ได้คุณแม่ก็จะเป็นอย่างนี้เราก็ต้องปล่อยให้ท่านเป็นไปจนเราเราจะทาําตามที่ท่านสั่งได้หรือมากก็เป็นเรื่องของเราเองถ้าเราทําตามได้ก็ทำไปถ้าเราทําตามไม่ได้ก็ไม่ต้องทําก็เฉยๆไปแต่มันอยากไปมีปัญหาต่อกันอย่างไปทะเลาไม่วาสกันอย่าไปเปลี่ยนเขา เขาอยากจะเป็นอย่างนี้ก็ได้มันก็จะเจอมันก็จะเจอปัญหาคุยกันไม่รู้เรื่องนะเกิดครั้งสุดท้ายสําหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเวลามีจํากัดหนทางใดที่จะพ้นทุกข์พ้นอบายได้ครับหนทางจากการภาวนานี่แหละถ้าเราไปเจริญสตินั่งสมาธิได้แล้วเจริญปัญญาวิปัสสนาได้เราก็พ้นทุกข์ได้ คุณซีฟครับเราเจตนาบอกความเท็จกับคุณแม่เรื่องที่ไม่เป็นความจริงเพื่อให้ท่านสบายใจไม่เครียดทั้งๆที่เรารู้ว่าผิดแต่จำต้องโกหกแบบนี้ผิดศีลข้อ4และบาปมากไหมครับที่โกหกบุปการีครับก็ผิดนะเพราะว่ามันโกหกส่วนจะบาปมากบาปน้อยก็อยู่โทษที่กิดขึ้นว่ามั น, ม น, มนโทษมากโทษน้อยถ้าโทษมากก็บาปมากถ้าโทษน้อยก็บาปน้อย การถวายรถให้กับพระสงฆ์ทําได้ไหมครับได้ไม่มีข้อห้ามเสมัยสมัยพุทธการไม่เหมือนรถยนต์ถ้าพุทธเจ้าอยู่ในสมัยนี้อาจจะมีข้อห้ามก็ได้แต่ถ้าพรเจ้าอยู่ทุกวันนี้อาจจะมีคนไปฟ้องพระเจ้าทานี้ได้ไหมทำนงงั้นได้ไหมพระเจ้าก็จะพิจนารณาแต่ละข้อไปรัาแต่ความเหมาะสมแต่เห็นว่าเหมาะสมท่้นก็ท่านก็จะห้ามมันก็จะเป็นสินเพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึง่งเป็นข้อห้ามเพิ่มขึ้นมาอีอข้อหนึง่ง ตามที่พระเจ้าอยู่มันมี220 200ทศนิยม227ข้อถ้าหยู่ถึงตอนนี้อาจจะเป็น 2,270 ข้อก็ไ <laughs> ด <laughs> ้น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยครับ <laughs> <laughs> คุณวชิรวิทย์ครับเกิดความติดใจจากการทำบุญ ทำบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจะเป็นการสุ่รุ่ยสูร่รายหรือไม่บางครั้งมารวมที่หลังก็เยอะเหมือนกันครับขอบความเห็นนตาครับ อ, อ๋อการทำบุญไม่ถือว่าเป็นการสู่่ยสู ร, ร่ายนการสะสมบุญเป็นสร้างเป็นการสร้างทานบรารมีที่จะมาสนับสนุนชีวิตของเราให้มีความสุขเจริญมากขึ้นไปตามลำดับสวดมนต์ทุกวันคิดว่าติดแล้วถ้าไม่ได้สวดมนต์จะ ก, กังวลแบบนี้ยึดติดไหมครับ การติดการสวดมนต์ก็ไม่เสียหายตรงไห น, นเพราะการการสวดมนต์เพื่อทําให้ใจเราสงบทําให้ใจเรามีความสุขการยึดติดในสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ยังไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดเป็นคุณมีประโยชน์ทําได้คุณแคทครับถ้าลูกอายุมากแล้วนั่งงอเข่านั่งไม่ค่อยนานก็จะปวดถ้านั่งเก้าอี้หรือถ้าอยู่ที่บ้านนั่งเหยียดขาได้ไหมครับ คือการนั่งสมาธิถ้าเหยียดขาเนี่มันอาจจะดูแล้วไม่ไม่สวยงามไม่เป็นการแสดงความเคารพในธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก็ควรจะนั่งแบบนั่งเก้าอี้กันจงดีกว่าแต่การนั่งเหยียดขานี่รู้สึกว่าจะไม่มีใครก็นอกจากว่าอยู่ในห้องของเราคนเดียวเราจะนั่งเนี้เราจะทําในอาเรียบบทไหนก็ได้จะนอนทําก็ได้ถ้านั่งทําไม่ได้ก็นอนทําก็ได้ใช่เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราขึ้นมานั่งไม่ได้เราจะนอนแล้วก็ทําสมาธิไปก็ได้สวดมนต์ไปก็ได้ แต้องต้องรู้จักการละาเที่บางครั้งนั่งสมาธิใต้ร่มไม้รู้สึกกายเบาจิตเบาแต่พอออกจากสมาธิปวดศีรษะมากเพราะนั่งอยู่กลางแดดครับก็อย่าไปอยู่กลางแดดแหาลม ก, การไว้เลยก็อย่างเพราะแดดมันมีผลกระทบต่อร่างกาย ค, คุณวัฒนาครับ กระผมเข้าใจว่าในตัวจิตผมนี้มีสามส่วนหนึ่งความคิดสองตัวรู้สามความว่างน้องกับขอความใม้ตาพระอาจารย์ให้ความกระจาร่างด้วยครับเพราะมันมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันหนึ่งเคยมีนใตัวรู้ตัวที่รับรู้แล้วก็ตัวคิดตัวจําได้สัญญาจําได้หมายรู้แล้วตัวตัวรู้สึกตัวรู้รู้สึกสดทุกข์ไม่สุดไม่ทุกข์แล้วก็ตัวที่ คิดปรงแต่งมาความคิดแล้วก็ตัวที่ไปรับรูปเสียงกินรสจากร่างกายเนี่ยมันตัวรู้นี่มัน ม, มีห้าความความสามารถอยู่ห้าอย่างด้วยกันขอคําแนะนําในการเตรียมจิตที่จะไปประเทศอินเดียครั้งแรกไปกับคณะและตั้งใจะจะไปบวช ด, ด้วยครับเราไม่เคยไปเราไม่ไม่สามารถตอบคาถามได้คุณเยาวรักครับ ไม่ได้บวชถ้าปฏิบัติกรรมฐานในขณะที่ต้องทํางานอยู่แบบนี้จะสามารถให้ไม่ต้องมาเกิดอีกได้หรือไม่ครับอ๋อยากเพราะว่าการปฏิบัติกรรมฐานถ้าจะให้ยุติการเกิดได้นนี้ต้องทํางานเต็มรูปแบบไม่ได้ทํางานอย่างอื่นต้องถือว่านี่เป็นงานหลักเลยถ้ายังทํางานอยู่แล้วามาปฏิบัตินี่มันปฏิบัติรรได้น้อยมากมันหนึงอาจจะได้แค่ครึ่งชั่วโมงกรรมาจากทํางานก็หนึ่งเล้วะ จะนั่งสมาธิก่อนนอนหรือตื่นนอนขึ้นมาอาจจะนั่งสมาธิก็ได้แค่นี้หละ่ะน้อยมากผ้ปฏิบัตินี่ก็ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเดินเดินมากนัก่งบ้างสลับกันไปยกเว้นเวลาหลับคืนหนึ่งนั่นก็หลับแค่สี่ชั่วโมงครับนี้ยปฏิบัติยี่สิบชั่วโมงครับจะแยกรูปกับนามได้เร็วจะทําได้ไหมครับ มันมันต้องแยกด้วยการเข้าสมาธิมันจะยากรูป ก, กับ น, นามได้แล้วหลังจากนั้นเราถึงสามารถที่จะแยกด้วยในในปัญญาเวลาที่ที่ที่รูปที่ที่จมันไปยึดติดกับร่างกายก็ต้องสอนสอนใจให้ปล่อยวางอย่าไปยึดติดกับร่างกายว่าร่างกายกับใจเป็นคนต่อคนกันอันนี้แต่เบื้องต้นนี้ต้องแยกด้วยสมาธิก่อน เลยรู้ว่ามีสองย่างมีสองคนอยู่ในตัวเราเนี่ยไม่ใช่มีคนคนเดียวถ้าเราไม่ยยกด้วยสมาธิเราจะมองไม่เห็นมองไม่ออกว่าใจกับร่างกายเป็นคนละคนกันแต่พอเราแยากด้วยสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาเราก็เอาความรู้นั้นมาคอยเตือนใจว่าใจไม่ใช่ร่างกายเนี่ร่างกายไม่ใช่ใจนะคนละคนกันอันนี้ต้องต้องสอนด้วยความคิดเตือนใจยใเ ให้ปล่อยให้ใจปล่อยวางร่างกายคุณธนวัลยครับเราจะเสียชีวิตแบบไหนขึ้นอยู่กับกรรมที่เราเคยทํามาหรือเปล่าครับมันมีส า, า, สาเหตุหลายสาเหตุในการการที่เราจะอยู่รละจะตายนี้มันไม่ได้อยู่ที่การกระทําของเราอย่างเดียวหรือกรรมที่เราทํามาในอดีแต่อย่างเดียวมันอาจจะเป็นกรรมในทําปัจจุบันนี้ก็ได้ในเราเดินไม่มีสติเดินใบเหยีย เดินเย็นไปถูกมูกัดตายก็ได้เดินไปตกหลุมตกบ่ออะไรขึ้นมาแล้วก็จมน้ําตายไปยก็มีดังนัมันการตายมันมีหลายายวิธีตายมันมีหลายสายเหตุด้วยกัน mm hmm. ไม่ต้องกังวลเรื่องเห่านี้ไม่ควรกังวลคนจะให้รู้เพียงแต่ว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องตายนะแล้วเราจะทํำยังไงให้เราตายแบบไม่ทุกข์ทั้งนีนี่คือสิ่งที่เราต้องกังวลมากกว่า มีคนอิจฉาตามพระลานไม่เลิกทําให้สุขภาพจิตรเราเสียควรจะทําอย่างไรดีครับก็ต้องทําใจว่าห้ามเขาไม่ได้บ่อยเขาทาไปยอมให้เขาทาไปแล้วเราก็จะสุขภาพเราก็จะดีแล้วก็จะเป็นกรับมเป็นปกติถ้าเรายอมให้เขาทาตามเรื่องของเขาไปที่เราเสียสุขภาพเพราะว่ า, าไปอยากให้เขาไม่มาทำเท่านั้นเองไมความอยากของเราเนี่ยเป็นตัวที่สร้างความเครียดให้กับเราไม่เห็นการกระทําของเขา พอเรายอมรับการกระทํำของเขาไดา้เราก็จะหายเครียดคุณอัธพงศ์ครับเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดอาการน่วงๆบริเวณใบหน้าและระหว่างคิ้วเกิดจากอะไรครับไม่ต้องไปสนใจแล้วไม่ให้อยู่กับการพาวนาของเราไปเรื่อยๆนั้นอาการต่างๆมันก็จะหายไปเองมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็นดับไปเองมันเป็นนั้นที่จันทุกขงังอนัตตา คุณแม่เป็นอัลไซเมอร์ถามถึงพ่อเพราะลืมว่าพ่อเสียไปแล้วหนูโกโหกทุกครั้งที่ท่านถามอย่างนี้เป็นอย่างไรบ้งครับก็โกโหกเลยก็พูดความจริงเจะได้ไม่ต้องถามถึงถ้าพ่อตายไปนานแล้วพ่อไม่อยู่แล้วพูดไปแค่ไ้นคุณวีว่าครับทำหมันสุนนะัขทำไมถึงเป็นบาปครับไม่เป็นบาปไม่เคยตอบว่าเป็นบาปทุกครั้งที่คนถามเขาไม่เป็นบาป การมิทำบาปต้องไปเบียดเบียนเขาต้องไปทำร้ายเขาต้องไปทำให้เขาเสียชีวิตหรือทำให้เขาเจ็บทรมานง่างกายเขาเป็นต้นนี่ดังนี้นเป็นบาปอันนี้เราทำเพื่อการแม่เขามีมีลูกเท่านั้นเองถ้าเราไปถวายสังฆทานเห็นของกองตรงนั้นเยอะมากเราจึงไม่อยากใส่ถวายเป็นเงินไปเลยแบบนี้ผิดไหมครับไม่ผิดเราก็ถวายแทนกันได้ บางทีของมันเยอะกันไปก็เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้อยู่ดีถ้าเป็นเงินเป็นทองก็ก็ขึ้นอยู่ว่าผู้รับนี่จะเอาเอาเงินนี้ไปใช้อะไรอยู่ถ้าเรามั่นใจว่าถ้านําไปทําประโยชน์ก็ก็มริจาคเป็นเงินทองไปก็ได้แต่ถา้าเอาไปใช้ตอบสนองกิเลสตัณหาก็ไม่ควรที่จะถวายเงินทองเอาท่าน คุณนารีรัตน์ครับช่วงนี้น้ําท่วมยุงเยอะมากสุนัขจรจัดหนีน้ําท่วมมาคลอดลูกที่บ้านสิบห้าตัวยังก็กัดยุงก็กัดพวกเขาเราก็เลี้ยงไม่ไหวสงสารก็สงสารยุงก็กัดพวกเขาเยอะเลยจุดยาไล่ ย, ยุงฆ่าไปก็เยอะบาปหนาสงสารมาน้อยครับไม่ต้องไปกังวลหรอกชีวิตของเขาเขาอยู่ของเขามาได้นั้นที่ไม่ต้องมีมนุษย์มายุ่งเกี่ยว เราไปยุ่งกับเขาเองแล้วเราก็ไปเครียดถ้าเราทําได้โดยไม่เครียดก็ทําไปถ้าทำแล้วเครียดก็อย่าทําดีกว่าต้องยอมรับว่าบางทีมันเป็นเรื่องเหนือวิสัยของเราที่จะไปช่วยอะไรเขาได้ครับสามีชอบโมโหคิดลบพูดหยาบด่าทุกวันทําอย่างไรดีครับเขายอมรับว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็จบอย่าไปคิดเปลี่ยนเขาคุณนกครับ แฟนเพิ่งเสียหนูสวดมนต์อุทิศผลบุญให้เขาทุกวันเขาจะได้รับไหมครับมันบุญที่เราสวดมันยังไม่เป็นบุญนะถ้าอยากจะอุทิศบุญนี้ต้องต้องทําบุญทําทานใส่บาตรถวายสังฆทานบริจาคเงินให้กับสปา ก, กาชาติอย่างนี้เป็นตน้นถึงจะเกิดบุญขึ้นมาแล้วก็อุทิศตตัวให้เขาได้ส่วนเขาจะรับได้หรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเขารอรับบุญหรือเปล่าด้วยแต่การนั่งสวดมนต์นี้ยังไม่เกิดบุญนะ การนั่งสมาธิจะมีผลดีด้านใดบ้างครับก็ทําให้จิตเราสงบ ม, มีความสุขแล้วก็จะรให้น็อตกิกกเลสตัณหาความอยากความต่างๆได้ต่อไปชีวิตเรากอ็อยู่แบบสุขสบายไม่ต้องดิ้นร น, นไปหาเงินหาทองมาตอบสนองตัณหาความอยากต่างๆคุณนัทวีครับ หนูดูแลแมวอยู่แปดตัวกาําพ้าระหว่างทําความสะอาดที่อยู่อาศัยแมวมักจะเปิดธรรมะพระอาจารย์ให้แมวฟังแมวก็นอนกันอย่างสงบและจะบอกกับแมวทุกครั้งว่าแผ่เมตตาให้แล้วนะให้น้ำให้อาหารทําความสาดที่อยู่อาศัยให้แล้วชาติหน้าอย่าเกิดเป็นแมวอีกแบบนี้แมวรับรู้ไหมครับกาถามมาดูสิมาถามเราทําไมแลยเข้าใจไหมมันพยักหน้าหรือเปล่า การที่เราไปโพส์สบายสิ่งต่างๆลงในโซเชียลอย่างนี้เป็นบาปไหมครับถ้าไม่เลยไปทาถ้าไม่ไม่ได้พูดความโกหกแล้วไปหลอกลวงใครก็ไม่บาปถ้าพูดความจริงคุณวลินรดาครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ระหว่างการสวดมนต์มากๆหลายๆบทสวดแล้วไม่ได้นั่งสมาธิกับสวดมนต์พอประมาณและให้เวลากับการนั่งสมาธิ ควรปฏิบัติแบบไหนโยงของความเมตตาด้ยครับแล้วแต่เราชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นเป้าหมายก็คือให้ใจเราสงบให้ใจเรามีความสุขถ้ า, ามีความสุขมากจากการสวดมนต์มากๆ ก, ก็สวดไปถ้าเรามีความสุขมากกว่าจากการนั่งสมาธิเราก็นั่งไปแล้วแต่เราแต่ละคนไม่เหมือนกันตั้งคันตอนอายุมาก เป็นทุกข์มากแต่ไม่คิดจะทําแท้งนะครับตอนนี้พยายามหาทางสว่างให้ชีวิตอยู่ครับก็เลื่องเสพติดเลยต่อไปต้องมีวิธีป้องกันมาให้ตั้งครัภเพราตั้งครันนะมันก็เป็นทุกข์ทุกข์ในท้องแล้วยังก็พงทกเวลาเข้า อ, อมาจากท้องก็ต้องเป็นทาร่ามิ่งดูเขาอีกเป็นบ่วงพระเจ้าบอกุ่งนี้เป็นบ่วงปลูกใจเราปูกพันเราไปตลอดชีวิต อุตอมพรครับบอกว่าขอหลักธรรมในการปกครองคนครับใช้ความผ่อมวิหารสีใช้ความเมตตากรุณาเมิตาอเมคาเมตตาก็คือให้ความรักเขาให้ความเป็นมิตรกับเขาถ้ามีอะไรที่จะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาไป เ, ร, ไปเรียกปรุณาถ้าเขาได้ดีได้ดีก็ควรจะแสดงความยินดีไปกับเขาควรจะเลื่อนขั้นเลื่อตำแหน่งไปตามความเป็นจริงของเขาความสามารถของเขา ถ้าเขามีอะไรที่เราช่วยเหลือเขาไม่ได้เราก็ต้องทำใจไปดูเบิกขาเฉยๆไปเนเรื่องของกรรมของเขาไปถ้าช่วยได้ก็ช่วยถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องก็ต้องอย่าไปทุกข์กับเขา น, นั่นเองนั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งแล้วต้องทำยังไงต่อครับให้มันนิ่งกันนานฝึกให้มันนิ่งบ่อยๆมันต้องมันต้องนิ่งใแบบมีความสุข ถ้ามันนื่งไปยังไม่มีความสุขนยังไม่ยังไม่ใช่สมาธิที่แท้จริงแล้วอาจจะไม่ใช่เป็นความนิ่งตามที่ที่แท้จริงก็ได้เราเพียงแต่จะคิดว่ามันนิ่งถ้ามันนิ่งจริงๆแล้วมันจะมีความรู้สึกมหัศจรรย์ใจรู้สึกเป็นความสุขที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนมันจะทําให้เราเบื่อกับความสุขทางโลกไปเลยมันจะเปลี่ยนชีวิตเราให้มาหาความสุขแบบหลักการนั่งสมาธิแทน ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็แสดงว่ายังไม่ได้เป็นสมาธิที่แท้จริงยังไม่นิ่งที่แท้จริงเพระพเจ้าบอกว่าลดแห่งดขดของความสงบนิ่งเหนือกว่าความสุขทั้งป่วนความสุขที่เกิดจากความสงบนี้งเหนอกวความสุขทั้งป่วกคุณมาลีครับการที่จะไม่มาเกิดอีกแล้วต้องบรรลุอรหันต์แล้วใช่ไหมครับ ก็ถ้าไม่มาเกิดในภพมนุษย์ก็เป็นขัน้านพรานาคามีก็ไม่กลับมาเกิดเป็นพระมนุษย์แล้วแต่ยังไปเกิดเป็นในภพมรโลกอยู่แล้วถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดทั้งทั้งสามภพตายภพก็ต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นให้นักศึกษาสอบตกแล้วถูกลีไทยเป็นการสร้างเวรกรรมต่อกันไหมครับถ้าเป็นความจริงถ้าเขาเาเขาตกเพราะความ การทำท่งองก็ขอาคะแนนมันออกมาอย่างนั้นก็ไม่มีเจตก็ไม่เป็นเป็นกรรมเป็นกบนอย่างได้ไม่เป็นบาปไม่ได้ทำตามเนื้อผ้าทำตามความเป็นจริงส่วนเขาจะจองเวนจองกรรมกับเราหรือไมนั้นเราห้าห้ามขอไม่ได้คุณซีฟครับแม่กลัวพวกมแมลงมากเช่นมดปลวกถ้าเห็นแล้วจะฆ่าเราไม่อยากให้คุณแม่บาปเราจําใจต้องฆ่าเอง ทั้งทั้งที่เราไม่อยากทําแทนคุณแม่เพื่อความสบายใจของคุณแม่แบบนี้เราบาปมากมายที่ฆ่าสัตว์ทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้เจตนาฆ่าเลยครับทําไมไม่เจตนาถ้าไม่เจตนาก็ไม่ฆ่าเลมถ้ามันฆ่าตั้งใจให้เขาตายมันก็จะเจตนาแนละ้วก็บาปคาถามซ้ำนิดหนึ่งครับอาจารย์บอกสวดมนต์นั่งสมาธิกรวดน้ําให้ญาติที่ล่วงลับไปถึงพวกเขาได้ไหมครับ คือมันไม่มีบนญที่จะส่งไปเลยเพราะการสวดขรานั่งสมาธิของเรายังไม่เกิดผลคุณเจเสครับเวลาสัตว์โลกจากไปเราจะขอให้เขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีแต่เวลาเป็นคนเรากลับไม่อยากเกิดแล้วจะดูย้อนแย้งกันไหมครับหรือเราควรจะวางหรือตั้งจิตอย่างไรเวลาสัปสัตจากไปครับก็ขอให้เา อ, อยา ก, กลับมาเกิดก็แล้วกันมันจะได้ไม่ได้ย้อนแย้งกัน เพราะการเกิดมันไม่ดีทั้งนั้นว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโกรธง่ายขึ้นเร็วทำอย่างไรดีครับเริ่มฝึกสติให้มากๆแล้วพยายามลดละความอยากให้น้อยลงเพราะความอยากนี้เป็นสาเหตุของความโกรธเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนเราไม่ได้เราก็จะโกรธคุณวรกัญญาครับ ข้อที่หนึ่งครับมีไหมครับบุคคลที่ไม่มีความอยากแม้อยู่ในการครองเรือนเหมือนก็เป็นได้ทั้งนั้นแนะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นผู้ครองเรือนหรือเป็นเป็นนักบวชมันอยู่ที่ว่าสิ้นกิเลสหรือไม่ไม่เส้นกิเลสถ้าเส้นกิเลสมันก็ไม่มีความอยากคแต่คนส่วนใหญ่ถ้าคนมันสิ้นกิเลสเขาก็จะไม่อยู่เป็นผู้ครองเรือนต่อไปเขาก็จะไปบวชยังไงสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาพระเจ้าแสดงธรรมให้กับขา้ารัว เราคารวะนไหนบรรลุธรรมปั๊บก็ขอบวญกันนะครับข้อสองก็ป้าจาันเหมือนตอบแล้วเราสามารถทํากันได้ไหมครับได้เราก็ทําในฐานะคา ร, ะราวะไปก่อนแล้วต่อไปเราก็ต้องไปอยู่แบบนั้งบวชถ้าเราบรรลุถ้าเราคิดว่าเรายังไม่บรรลุแต่เราเห็นว่าการไปบวชนี่จะทําให้เราได้ปฏิบัติได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ไปไปบวชกันต่อไป ข้อที่สามครับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจะทําให้เราหมดความอยากก่อนหมดลมหายใจในขณะครองเรือนได้ไหมครับได้เขาเรียกว่าสืบปฏบิปันโนงไงสืบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบข้อที่สี่ครับห่วงจะตัดอย่างไรครับห่วงลูกห่วงพ่อแม่ห่วงสามีห่วงครอบครัวครับก็พิจารณาความแม่ความอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แ น, น่นอนของของคนทุกคนทุกคนเกิดมาแล้ว วันใดวันหนึ่งก็ต้องถึงแก่ความตายอย่าหวกไม่ห่วงก็ห้ามไม่ได้การที่ถวายน้ำแล้วชีวิตจะไหลลื่นถวายหลอดไฟแล้วชีวิตจะสว่างสวัยนี่จริงไหมครับไม่จริงหรอคุณเฟื่องครับลูกไม่เคยเชื่อเกี่ยวกับคุณใสมาก่อนแต่วันนั้นพอคนใกล้ははตัวเป็นเหมือนคนผีเข้าและเป็นอยู่นานจนมาวันหนึ่ง ผักขาวแล้วนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวดอิติปิโสตลอดแต่อยู่ดีเกิดอาการสั่นทังตัวเหมือนสติจําไม่อยู่กับตัวแต่ก็พยายามสวดอิติปิโสตลอด ท, ที่ยังสั่นเพือมันคืออะไรครับเมื่อสติน่ะไม่ค่อยมีกําลังสตินระอ่อนมันก็เลยทําให้อ่กิเลสตัณหาโมหะวิชามันทําให้ตัวเราสั่นได้มี คนทั่วเมืองตัดกรรมกับการหิวได้อย่างไรครับก็เวลาหิวกินน่ยทุกคนเขาต้องกินกันนั้นตัดกรรมก็คืออย่าไปทํากรรมกรรมเก่าเราเราเราเราไปหยุดมัไม่ได้ผลของกรรมเก่าเราหยุดไม่ได้แต่ผลของกรรมใหม่เนี่ยเราหยุดได้ด้วยการไม่ทํากรรม าสมาธิเวลานั่งสมาธิเราก็จะไม่ได้ท ำ, ทำกรรมพอเราหยุดกรรมด้วยการนั่งสมาธิคุณสุภาพรครับเวลานั่งสมาธิจิตส่งออกนอกจะแก้ยังไงครับต้องมีสติดึงกลับเข้ามาต้องมีพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่านั่งเฉยๆต้องมีพุโทโธถ้ามีพุโทโธมันก็ออกไปก็ไม่ได้ ถ้าตกหมึกแล้วกินเองเราจะไถ่าบาปโดยใส่บาตรให้หมึกได้ไหมครับบาปไถ่ไม่ได้คบาปฉันทาแล้วแล้เราใช้คุณวรรณภาครับเอาเงินใส่ลงในบาตรบาปไม่ครับเพราะพระไม่มีลูกศิษย์มาครับโยมใส่บาตรไม่บาปฉันเยอะย้อนยน้อนย้อนเป็นกงจวายไม่บาปนะแต่พระก็ต้องรอให้มีลูกศิษย์มานรับไปที แต่ว่าบางทีวิธีการกําหนวนเรื่องของการรับนี่แม้กระทั่งใส่ไปในบาทนี่ก็ไม่ควรให้ใส่แต่ถ้าบางทียาโยมไม่รู้รับพา ก, ก็ไม่ไม่รู้บางทีคอยเปิดฟ้าบาทปั๊บเขาก็ใส่ไปปุ๊บอย่างเี้ก็ต้องรอให้มีใครเป็นลูกศิษย์เขาให้เขาช่วยอิบออกไปเท่ไหมคือเจตนาเราอย่าไปโลภอย่าไปอยากได้เงินนั้นแล้วอย่าไปใช้ในทางที่ผิดเรื่ององเองินทองมันมีแค่นี้แหละ อย่าไปใช้ในทางที่ทําให้เกิดกิเลสขึ้นมาถ้ า, าไปใช้ในทางที่เป็นทำเป็นคุณเปนประโยชน์ก็เอาไปใช้ได้การทําบุญช่วยให้เรื่องที่ไม่ดีในชีวิตดีขึ้นได้ไหมครับเรื่องที่ไม่ดีในชีวิตมันมีหลายสายเหตุด้วยกันการทําบุญอย่างเดียวนี่ไม่ไม่สามารถที่จะไปทําให้เรื่องในชีวิตของเราดีขึ้นได้อาจจะช่วยได้บางส่วน บางเรื่องบางข่าวแต่คิดว่ามันไม่ใช่เป็นสาเหตุเดียวที่ทําให้ชีวิตเราจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นคุณออร์ดิตครับถ้าเราอยากเกิดครั้งสุดท้ายแล้วเรามีลูกจะขัดกับหลักคิดไหมครับเพราะเท่ากับเราไปดึงวิญญาณท่านอื่นมาเกิดครับก็ถ้าเรายังไม่มีลูกเรก็อย่าไปดึงมาสิแต่ถ้ามามันก็ เราอาจจะเราอาจจะเดึงเข้ามาโดยที่เราไม่ไม่รู้ว่าการเกิดไม่ดีก็ได้แต่เมื่อเป็นเกิดแล้วก็ต้องปล่อยมันเลยตามเลยไปส่วนเราเราก็เราก็ไปเราก็ไปตัดพบตัดชาติของเราได้เป็นคนละเรื่องกันอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพอท่านทราบว่าท่านได้ลุ้งแล้วท่านก็ท่า น, นก็ไปบวชเลยการเจ็บป่วยเช่นปวดหลังหรือเป็นมะเร็ง เป็นโรคของเวรกรรมไหมครับเป็นโรคของร่างกายเนี่ยมัีสาเหตุเกิดจากอะไรมีหลายสายเหตุด้วยกันเกิดทางร่างกายก็ได้ร่างกายบกพร่องเกิดจากการไปพฤติกรรมการกระทํำต่างๆก็ได้น่าจจะมีกรรมเก่าก็ได้อ น, นี้ไม่รู้นนะมันมีหลายสายเหตุด้วยกันคุณปาริชาติครับ ยมขอเรียนถามว่าการที่ลูกๆนำพ่อแม่ไปอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุไม่เลี้ยงดูบาปหรือไม่ครับก็ถ้าถ้าไม่สามารถเลี้ยงดูได้เราให้ท่านไปอยู่ที่ที่มีคนเลี้ยงดูอยู่มันก็ไม่บาปแต่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้บุญนะถ้าไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยตนเองเราสามารถจะนั่งสมาธิในห้องนอนได้ไหมครับ นั่งที่ไหนก็นั่งได้ทั้งคุณสลาวุฒิครับพระอารหันต์ท่านเวลานอนหลับฝันไหมครับอันนี้เราไม่ถามท่านจะดีกว่าผู้ที่เสียชีวิตในรถต้องอัญเชิญวิญญาณในรถหรือบริเวณจุดเกิดก็ได้ครับไม่ต้องอัญเชิญอะวิญญาณเขาไปนะวพราร่างกายตายไปก็วิญญาณก็แยกออกจากร่างกายไป ไปตามสภาพของบุญถึงบาปที่ก็ได้ทําไว้ต่อไปคุณคณิ t ฐาครับปกติจะใส่บาตรทุกวันพระและถวายปัจจัยกับพระด้วยแต่ไม่มีลูกศิษย์ที่จะรับปัจจัยแทนบาปไหมครับก็ถวายอย่างอื่นแทนได้เช็คของขวัญนี่ถวายได้ถวาย็นเชีได้อยู่เรื่องมีเงินเข้าบัญชีท่านก็ได้ถ้ามีบัญชีก็ถามท่านดูหลวงพี่มีมีบัญชีไหมายเได้กันเ คอยกอดทำไมนี่มี Q R code ก็มีคร pues nope> ับอาจารย์การจัดสร้างบุญต้องเริ่มอย่างไรครับ mm ก็ทำทานก่อนไงมีกันมีท่หรลอกินแล้วใช้ก็เอาไปจากคนอื่นบ้างให้พระก็ได้ให้วัดก็ได้ให้โรงพยาบาลก็ได้ให้คนยากคนจนก็ได้แล้วแต่เราจะพอใจนี่เป็นการเริ่มต้นของการทำบุญ คือการเสียสละแบ่งปันบริจาคทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราเหลือกินเหลือใช้ที่เราไม่เดือดร้อนคุณชาญยุทธครับการที่จะสิ้นพบสิ้นชาติในชาตินี้ก็ขึ้นอยู่กับบา ร, รมีที่เราสังสมมาแต่ชาติก่อนๆด้วยใช่ไหมครับถ้าบา ร, รมีไม่พอก็ไม่สามารถจบได้ในชาตินี้หรือเปล่าครับไม่จริงหรอกบา ร, รมีมากน้อยมันจะทําให้ชาตินี้เท่านั้นง่ายหรือยาก ถ้ามีบาลมีมามากมันก็จะง่ายแล้วก็จะเร็วถ้ามีบาลมีน้อยมันก็จะยากแล้วก็จะช้าอต่ถ้ายังไม่ตายเราปฏิบัติไปเรื่อยๆก็บรรลุได้พรนะเจ้าบอกบางคนถึงบรรลุภายในเจ็ดวันบางคนเจ็ดเดือนบางคนเจ็ดปีอันนี้คือความต่างกันสําหรับคนที่มีบาลมีติดตัวม า, มามากน้อยต่างกันหมอดูขโมยดวงทําได้ไหมครับ ไม่ม ร, รมู้เรื่องเรี่องหมอเรื่องเดี๋ยวนี้ไม่ได้ศึกษาต้องขออภัยด้วยคุณสวัสดีครับการทานเนื้อสัตว์เป็นการเพิ่มอุปสงค์อุปทานในการฆ่าสัตว์ถ้าเราไม่ทานจะทําให้การฆ่าสัตว์น้อยลงคิดแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็ไม่รู้มืนก็ไม่มีการศึกษาต้องไปวิจัยดูต่อดจะจะถูกก็ได้เพราะมันมเป็นแต่ความคิดเท่านั้นต้องมีข้อมูลมายืนยัน ติดว่างถึงขั้นไหนครับมีคนถามอย่างนี้ครับอาจารย์เพราว่าว่างนี้มันก็ไม่ความคิดปรุงแต่งก็หายไปเจ็ดนิ่งสงบสักแต่ว่ารู้นะครับคือขั้นที่เราต้องการไปถึงเรีว่าขั้นฌานสี่ก่อนจะถึงฌานสี่ก็ยังมีจิตยังไม่ว่างยังมีวิตกในวิจารณ์มีความคิดปรุงแต่งมีอะไรอยู่บ้างมีปิติมีสุขแต่พอไปถึงฌานที่สี่นี้อาการต่ตางๆมันจะหายไปหมด แล้วแต่อุเบกขาอุเบกขานี่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นมั น, เ ป, นเป็นความรู้สึกเป็นความรเป็นคุณสมบัติของจิตที่สงบพอจิตสงบมันก็จะไม่รัดไม่ชังไม่โคลงคุณต้าครับการนั่งสมาธิจนให้ได้ถึงขั้นฌานควรจะใช้บริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆจนจิตสงบแล้วคำบริกรรมมันจะหายไป จะอยู่ในภาวะนิ่งให้อยู่ในสภาวะนี้ต่อไปหรือให้กลับมาใช้บริการพูดโธต่อครับคือถ้ามันนิ่งจริงนี่มันไม่มันก็ต้องใช้พูดโธต่อแล้วมันสงบจริงนี่มันมันจะรู้เองอะถ้ามันถึงจุดนั้นแล้วมันจะเกิดความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องพูดโธไปเรื่อยๆเปนก่อนจะเจอความมหัศจรรย์ของจิตที่ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตสงบ มันเป็นมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งนะเวลาที่จิตสงบเนี่ยถ้ามันยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ยังไม่เือว่าไม่สงบจริงสงบเพราะเราคิดว่ามันสงบนิ่งพราะเราคิดว่ามันนิ่งแต่ความจริงมันยังไม่นิ่งเพราะเรายังคิดอยู่ครับมีคําถามที่ขายกันบอกว่าพุโทโธหายทํายังไงพอคิดได้ก็กลับมาพุโทโธใหม่ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่สติเราน้อยไปพุโทโธได้สองสามครั้งบางทีมันก็หายไปหยุดมันหยุดพุดโทโธไป แล้ก็ไปคิดตรงนั้นตรงนี้โดยไม่รู้สึกตัววิบากกรรมคืออะไรครับวิบากคือผลของกรรมกรรมคือการกระทำที่เราทาบุญนี่ก็เป็นการกระทาอย่างหนึ่งวิบากก็คือผลของบุญผลของบุญคืออะไรก็คือความสุขใจสบายใจแล้วถ้าตายไปบุญนี่ความสุขใจสบายใจนี่ก็จะเป็นสวรรค์ขึ้นมาในใจ คุณชอบครับรู้สึกตัวเองทําบุญแล้วไม่รู้สึกดีใจไม่รู้สึกปลื้มแต่ก็ยังทําอยู่เรื่อยๆแบบนี้ยังจะได้บุญอยู่หรือเปล่าครับได้เแต่ว่ามันอาจจะที่ไม่ปลื้มเพราะว่ามันอาจจะทําน้อยไปลองลองทำแบบนี้เยอะทักครั้งหน่อยนะมันจะรู้สึกปลื้มถ้าเราโดยเฉพาะทํำกับคนที่เรารักเราชอบแ้วเราได้ช่วยเหลือเขาให้เขาสมมติคขาเดือดร้อนถ้าเราช่วยเหลือเขา แล้วเราตเชือ่อแบบไม่ใช่แล้กยเป็นก้อนใหญ่ๆน่าจะเปลื้มนะถ้าทำแบบนี้เวลาทำบุญแล้วอุทิศบุญให้คนที่มีชีวิตอยู่ได้ไหมครับไม่ได้หรอกถ้าอยากจะให้คนที่มีชีวิตอยู่มีความสุขก็เอาเงินที่เราทำบุญนี้ไปให้เขาเลยไม่ต้องไปทำบุญให้เสียเวลา คุณนิพวันครับนําชากาแฟจะไปถวายพระแต่โยมที่ทําหน้าที่อุปถัมภ์พระบอกให้เอาไว้ในโรงครัวโดยที่ไม่ได้กล่าวถวายกับพระถือว่าได้ถวายพระหรือยังครับถ้าเป็นกฎกติกาของว่าเขาก็ถือว่าได้ถวายนะบางวันที่เขาของตง่างๆเขาจะไม่ให้พระรับโดยตรงเพราะมันมีกฎกติกาเกี่ยวกับเรื่องของที่จะเก็บได้และเก็บไม่ได้ถ้าไปฝากส่วนกลางไว้ก่อนนี่ก็สามารถเก็บไปได้ตลอดเวลา แต่ถ้าเป็นของบางอย่างนี่ไปพระรักกอนเลยแล้วมันมันจะมีวันหมดอายุเช่นถ้าเป็นของกินเนี่ยของของเป็นอาหารข้าวหวนนี่ถ้าเป็นไปถวายท่านท่านรับไว้ถ้ามันเยอะแยะมันมันเป็นอาหารข้าวปองอาหารอะไรต่างๆที่เก็บไว้ได้นานถ้าท่านรับไว้ปั๊บนี่ท่านเก็บไว้ได้แค่เทียงวันท่านเองหลังจากเทีวันแ้ท่านต้องสละไปหมดเพราอยากจะให้เก็บไว้ให้ท่านฉันไปในช่วง ต่อไปว่าวันอาจจะขาดอาหารก็ใช้อาหารกระป๋องนี่ก็ต้องฝากไว้ในส่วนรวมฝากที่วัดเขาจะมีส่วนกลางให้ให้เก็บของต่างๆไว้พอเวลาที่วันใดมินทบาทอาหารไม่พอเพีงก็เอ า, อาหารที่ยื่นยู่ฝากไว้นห้มาทําได้อย่างสมัย อ, อยู่วัดตาก็ยังเคยมีขาดอาหารขาดเนราะว่าอาหารมินทบาทไม่พอก็อาศัยปลากระป๋องกับไอ้ออะไรนะผักกาดดองเนี่ยว่า มาผ ส, สมกันแล้วของของหวายก็อาศัยนมคนมาแจากโอ้ oh. Oh. ก็มีบ้างแต่ไม่ไม่บ่อยแต่นานๆครั้งนึงก็มีมวันนะวันวันวานอาจจะฝนตกหนักแล้วชาวบ้านก็ไม่สามารถใส่มาตรได้ก็ได้แต่ข้าวป่ามาก็เลยต้องอาศัยของที่มีอยูย่ในวัดวัดท่านมักจะวัดป่านนี้ท่านมักจะพึ่งตนเองด้วยการปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆไว้ปลูกสับประรดปลูกกล้วยปลูกอะไรไว้เผือเวลาที่ มินทบาทไม่พอเพลงก็จะได้อาศัยผลไม้ที่ปลูกไว้ในวัดมาช่วยใ บ, บ้านตานี่จะปลูกไว้สับ ป, ประรดที่จะปลูกไว้ตามทางเดินไหมตามตางเดินไปกติเนดะินไปสาลานี่ข้างทางจะเป็นสับ ป, ประรดปลูกต้นสับ ป, ประรดไว้แล้วก็ปลกูปลกพวกมะม่วงปลกูกกล้วยแล้วตอนเย็นๆก็จะให้เด็กนักศึวษาไปเก็บพวกผลไม้ที่สุกแลมาเตรียมไว้พรุ่งนี้จะได้ไปถอยพระได้ตัญชา เพรชาวบ้านเขายากจนเพราะของพวกนี้บางทีเขาไม่มีถวายก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวปล่าเนื้อกับข้าวเลก็กๆน้อยๆเท่าที่เขาทำกินของเขาครับอาจารย์ครับสมัยก่อนหลวงตาเดินมีนาบานี่เดินไกลไหมครับก็เดินเท่ากับพระก็ประมาณ2กิโลจากวัดป่ามัตตาไปหมู่บ้านนี้ประมาณสองกิโลไปจากพระศรี ก, กิโลด้วยกันแต่ท่านเดินเร็วมากนะท่าเดินเร็ว นแบบเห ก, กับวิ่งเลยแล้วพระต้องเรวกว่าท่านเองเวลาเวลาเข็นจากมินทาบานออกจากหมู่บ้านให้พระต้องรีบจ้ามาให้กลับถึงวัดก่อนท่านท่านเดินแบบสบายๆที่เดียวลงตาท่านเดินแซงอันนี้เป็นเพราะอุปนิสัยขององค์ท่านใช่ไหมครับที่ท่านเร็วอันอื่นอะต่างๆโดยส่วนก็เป็นการสนด้วยฝมกแม่พระที่เกียจแม่พระยุติารรให้พระอ่ขวนขวายกระตือรื อ, อร้นทงานให้รีบๆทา แต่ต้องทําให้ถูกด้วยแลการที่ทําให้เร็วให้ถูกต้องมีสติไนเ่งการฝึกสติใ้ตัวครับเวลาที่อยู่คนเดียวนอนคนเดียวแล้วชอบคิดถึงผีชอบกลัวผีครับแก้ยังไงครับก็เวลาคิดถึงผีก็หยุดคิดด้วยการคิดถึงพระพุทธเจ้าแทนคิดพุดโทโธพุโทโธไปแล้วนนสวดบทสวดอินทิบิสเซไป อย่าไปปล่อยให้ใจคิดถึงผีเพราะผีมันก็จะหายไปสามีชอบสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ยังก้าวร้าวใจไม่สงบต้องทำอย่างไรครับ เ, เรื่องของเขานะี่ยทำยังไงนะอาจารย์ช่วยอธิบายการทำบุญกับเนื้อนาบุญหน่อยครับคือเนื้อนาบุญก็เหมือนที่ไยที่เราจะไปที่เราจะไป ทำบุญเหมือนกันเนื้อนาก็เหมือนกับนาข้าวอ่างเงี้ยสมมติสมมติบุญเป็นข้าวเนี้อเนื้อที่นาที่จะปลูกข้าวมันก็มีมันนาที่ปลูกได้เยอะกับปลูกได้น้อยผลอยู่ที่ว่าดินดีไหมน้ําดีไหมยอย่างงี้เป็นต้นก็แบบเดียวกันทําบุญกับา้าก็เหมือนกับการไปปลูกข้าวบูกบุญปลูกต้นบุญใน ใ, ในนาน า, นาก็คือาค้าที่เราไปทําบุญด้วย าดีหรือไม่ดีดีมากดีน้อยผลยที่เราจะได้จากท่านก็จะมากน้อยต่างกันไปตรงนั้นถ้าเคยตีลูกบาปไหมครับถ้าเป็นตีนด้วยการสั่งสอนก็ไม่บาปนะถ้าตีด้วยความโกรธนี่ก็บาปเป็นาการทำร้ายร่างกายก็ นั่งสมาธิในระดับหนึ่งแล้วเหมือนมีแสงเป็นก้นหอยเป็นเพราะจิตเราสงบหรือเป็นเพราะเราคิดไปเองครับถ้าจิตสงบแล้วจะไม่มีแสงแสดงว่าจิตยังไม่สงบจิตปรุงแต่งไปเองการปล่อยปลาที่ซื้อในตลาดที่ยังเป็นอยู่ได้บุญไหมครับมันจะช่วยชีวิตเขาได้บุญ การแยกกายแยกจิตเป็นสภาวะอย่างไรครับก็แยกให้รู้ว่าร่างกายกับจิตเป็นคนละคนเองเนี่ตอนนี้จิตจะคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายต้องแยกจิตให้ต้องสามารถถอนจิตให้เห็นว่าร่างกายกับจิตเป็นคนละคนก่อนในการจะแยกได้ก็ต้องใช้สมาธินี้เป็นการแยกเพราะเวลานั่งสมาธิเราจะดึงจิตออกจากร่างกายช่วงขา่าวแยกออกจากร่างกายช่วงขา่าว แล้วพอหลังจากที่จิตออกจากสมาธิกลับมารวมกับร่างกายก็คอยคอยเตือนใจสอนใจว่าใจกับร่างกายเป็นคนละคนกันร่างกายเป็นบ่าวใจเป็นนายร่างกายจะเป็นจะตายนั้นใจไปห้ามไม่ได้แต่ใจไม่ได้ตายไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายใจไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจดวงวิญญาณของบรรพบุรุษมีโอกาสจะกลับมาบ้านลูกหลานไหมครับ ก็มีโอกาสได้เท่านั้นจะจะได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ขอโอกาสพระอาจารย์ครับนั่งสมาธิแล้วกําหนดสติดูลมหายใจเข้าออกพร้อมบริกรรมพุทโธไปสักพักก็มักจกสู่การหลับซะส่วนมากจะ แ, แก้ไขยังไงที่จะไม่ให้หลับหรือเข้าพะวงครับโดยการหลับนี่มันส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการไม่มีสติพอก็ได้สติแล้วมีกําลังน้อย พอนั่งไปทํานปั๊บอย่างนั้นสติหายไปใจก็หลับได้ประการที่สองก็อาจจะเกิดจากการเรากินอาหารอิ่มๆแล้วมานั่งสมาธิถ้ากินอาหารอิ่มแล้วมานั่งสมาธินี่นั่งการมันต้องการพักผ่อนน้ำนอนมากกว่าที่จะนั่งสมาธินั่งไปมันก็หลับได้วิธีแก้ก็คืออย่า ก, กินอย่าไปนั่งตอนที่เรากินอาหารอิ่มใหม่ๆ ถ้าเราจะนั่งสมาธิตอนเย็นก็อยากกินข้าวเย็นเสียอย่างนี้อีกส่วนนึ่งก็คือต้องฝึกสติให้บ่อยๆให้มากกว่าตอนที่เราจะมานั่งสมาธิต้องทําทั้งสองส่วนนี้แล้วการจะนั่งสมาธิมันก็จะไม่หลับคุณพัทระครับถ้าพ่อของเงินลูกไปใช้อบายามุขลูกไม่ให้ทะเลาะกับพ่อลูกบาปไหมครับ ไม่แบาปเพียงแตไม่ได้บุญอะไรก็ในขณะเดียวกันอาจจะเป็นการทําบุญโดยที่อาจจะทําให้เกิดค่าเสียหายกับพ่อแล้วก็อาจจะต้องห้ามไม่ทําให้ไม่ให้ทัดไปก็ได้เช่นถ้าท่านไปเชื้อซึ่งสุรามาเดิมอย่างนี้ก็ต้องแล้วก็ไม่ให้ก็ได้ก็บอกไม่เหตุผลว่ามันเป็นโทษกับบุญพ่อลูกต้องขออภัยด้วยถ้าพราะขาดอะไรยังอืปัจจัยเสียลูกพร้อมที่จะจัดหามาให้ คุณวรยุทธครับการปฏิบัติเมื่อจิตไม่คิดไม่ไหลไปไหนแล้วนิ่งๆว่างๆสักชั่วขณะถือว่าถูกต้องแล้วหรือไม่ครับอย่างที่พูดเน่ะมันยังไม่ถึงถึงถึ ง, ถ, งถึงความสัน จ, จันใจมันก็ยังไม่ถึงจุดนะมันอาจเริ่มรู้สึกจิตเบาขึ้นสงบขึ้นมากอะไรทานองนี้แต่ยังไม่สงบเต็มที่ต้องทาต่อไปต้องภาวนาต่อไป คุณรัต ด, ดาวันครับถ้าไม่ชอบความวุ่นวายแล้วต้องอยู่กับความวุ่นวายโดยหลีดเลี่ยงไม่ได้จะวางใจยอย่างไรให้เข้าใจสัจธรรมให้ให้ใจมันโปรงได้ครับก็มันเป็นเหมือนมินฟ้าอากาศไปไงอย่างวันนี้คนมาทำบุญ น, นั่งฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ได้ก็นั่งสมาธิกันไปทําใจเฉยๆไปปล่อยให้ฝ ม, มันตกไปแล้วก็ปล่อยให้เรื่องวุ่นวายวุ่นวายไปเราอย่าไปวุ่นวายไปกับมันด้วยการทําสมาธิด้วยการจัดนัสติพุโทโธพุโทโธไป คำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับตอนนี้ป่วยเป็นโรคร้ายรู้สึกกลัวตายจะทําอย่างไรให้เลิกกลัวตายได้ครับก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราน่าง ก, กายเป็นอนนี้จังไม่เที่ยงที่เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาถ้าเรายอมรับความจริงกันนี้ได้เราก็จะหายทุกข์ขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับวันนี้ มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ในเฟซแปดร้อยห้าสิบสี่ท่านนะครับในยูเจ็ด้ยห้าสิบเจ็ดในคลับเจ็ดในติกตอกห้าร้อยสามท่านรวมสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเ็ดท่านนะครับเริ่มอ่านคำถามเมื่อเวลายี่สิบนาฬิกาเจ็ดาทีพระอาจารย์ตอบไปหนึ่งร้อยสิบหกคำถามครับหนึ่งร้อยกว่าไมนน่น่าเชื่อ น, นะนั่งคุยครับพ่อหนึ่งร้ายบ ก็หวังว่าคงได้เป็นประโยชน์มากไม่มากก็น้อยน่าจะได้นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางธรรมมากขึ้นไปตามลำดับต่อไปการสนนาธรรมธรรมะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงทำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติแล้วความสดความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเอถอดสาธุก็ ที่ว่าพอสมกวยกับเวลาที่จะต้องลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้โอกาสหน้าถ้าไม่มีเหตุขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยเวลาเดิมขอเจริญพรกบับพระคุณอาจารย์ครับ